หลวงพ่อมเทศที่นี่มุ่งกาครั้งนี้ครั้งที่ 3, าาสามกีไกลก็มาสังเกตดูพวกเราผ่านมาไม่ถึงปีดีเราก็มีพัฒนาการที่ดีเป็นจำนวนมากคือถ้าเราสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมก็การศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากเกินไป ธรรมะที่พุทธเจ้าเอามาสอนเราเนี่ยเป็นธรรมะพอดีพอดีสำหรับคนธรมธรมดาธรรมดาไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอัจฉริยะหรือว่าเก่งผิดมนุษย์มนานหรือ่าเข้าฌานได้คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละเหมาะสมกับธรรมะมากที่สุดเมื่อวานหลวงพรอก็เทศที่วัดนะภูมิของมนุษย์ธรรมดาอย่างเราเนี่ยดีมากเลยสําหรับการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมมันมีสองส่วนส่วนของสมะถะกรรมฐานกับส่วนของวิปัสสนากรรมฐานในด้านของวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเนี่ยภูมิของมนุษย์เนี่ยเหมาะที่สุดดีกว่าภูมิของเทวดาดีกว่าภูมิของพลมทําไมภูมิมนุษย์ดีกว่าร่างกายของเราแปรปรวนตลอดเวลา อายุไม่ยืนเกินไปเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเบียดเบียนในร่างกายนี้อยู่ตลอดวันเดี๋ยวเจ็บโน้นเจ็บนี่เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนสารพัดจะเป็นในด้านจิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนื้อร่างกายจิตใจของคนมนุษย์เนี่ยเหมาะเพราะมันแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลา อย่างถ้าเราเกิดไปเป็นเทวดาเทวดาเนี่ยร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไ ม, ไม่ตายม่ตายเหมือนกันแต่ว่านานมากเลยกว่าจะตายร่างกายเนี่ยเกิดมานะบางเทวดาเนี่ยเาชอบเป็นเด็กเกิดมาก็เป็นเด็กเป็นเด็กจนวันตายชอบเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่จนวันตายไม่แก่ไม่เจ็บร่างกายจะไปแปรปรวปเนี่ยตอนใกล้ๆจะตายเท่านั้น เพราะนอย่างเป็นเทวดาเนี่ยจะมาดูร่างกายให้เป็นไตรลักษณ์ดูยากในขณะที่ร่างกายพวกเราเนี่ยแปรปรวนตลอดเวลาดูง่ายหรือไปเป็นพรหมถ้าพรหมมีร่างกายยิ่งไปกันใหญ่เลยร่างกายก็สวยงามอยู่อย่างนั้นเองไม่แก่ไม่เจ็บจิตใจก็สงบคงที่อยู่ยนั่นเองดูเหมือนร่างกายก็เที่ยงจิตก็เที่ยงกว่าจะแสดงความแปรปรวนได้แต่ละครั้งได้ยากมากเลย นีถ้าไปเกิดเป็นโฟมไม่มีรูปมันไม่มีร่างกายเลยร่างกายกระดูไม่ได้ไม่มีให้ดู ไ, ไปดูจิตดูใจแล้วก็ว่างเพราะนั้นการที่จะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยภูมิของมนุษย์เนี่ยเห็นง่ายที่สุดเพราะนั้นเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อย่างนี้แหละต้องภูมิใจพวกเทวดาในเวลาใกล้จะตายพวกพวกจะอวยพรบอกให้ตั้งใจไว้นะขอให้ได้ไปเกิดเป็นคนนะ พวกเราเวลาจะตายก็ขอให้ได้ไปเป็นเทวดาจับหัวกกลับหางตลอดนั้นการที่เรามีร่างกายการที่เรามีจิตใจที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องดีที่จะทําให้เราได้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้จิตที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเข้าถึงพระนิพพานได้นะจิตนั้นต้องฉลาด เห็นความจริงของรูปนามจนหมดความยึดถือในรูปในนามนี้เมื่อมันทิ้งรูปนามไปไม่ยึดถือในรูปนามนห้จเป็นสัมผัสพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญางั้นงานหลักของพวกเราชาวพุทธเน่เรามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์ซึ่งจะพ้นทุกข์จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้นะั้นไปด้วยปัญญา จิตถ้าเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงก็จะดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงงั้นตัวใหญ่เลยประเด็นใหญ่เลยก็คือเราจะต้องมาพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นงานที่พัฒนาปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานลำพังการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีแต่ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ไม่ทาให้บรรลุมรรคผลนิพพานหรอกเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเอง อย่างเราทําบุญทําทานตั้งเท่าไหร่กี่ร้อยล้านกี่พันล้านนะก็ไม่นิพานหรอกคนละเรื่องกันเลยทําบุญทําทานถ้าทําเป็นนะก็ทําไปเพื่อลดความเห็นแก่ตัวเพื่อสงเคราะห์คนอื่นแต่ถ้าทำแล้วก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวยังทำแล้วอยากได้ผลเยอะๆอยากรวยอะไรนะี้นะอยากถูกหวยอะไรนะี้อันนี้ไม่ได้บุญเท่าไหร่หรอกไม่ฉลาดหรือการรักษาศีลก็เหมือนกังถ้ารักษาเพื่อจะลดละกิเลสนะั้นเพื่อจะข่มใจตัวเองไม่ยอมให้ กิเลสครอบงําแล้วไปทําความชั่วทางกายทางวาจาถ้าอย่างนี้ได้บุญเยอะถ้าถือศีลกูเก่งกูเก่งกูเหนือกว่าคนอื่นปฏิบัติถือศีลไปแล้วกิเลสมากกว่าเก่าอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ได้บุญ น, น้อยทําสมาธิก็เหมือนกันนหลักการทําสมาธิมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าหรือศีชีพไรอะไรเขาก็ทําสมาธิเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะตอนออกจากวังไปบวชทีแรก ท่นก็ไปหาฤาษีไปเรียนนั่งสมาธิท่านเพราะว่ามันไม่ใช่ทางนั่งสมาธิแล้วเอาแต่ความสงบมันก็ไม่ใช่ทางแต่ถ้าไม่มีการทำทานไม่มีการรักษาศีลไม่มีการฝึกสมาธิจะไปเจริญปัญญาได้ไหมก็ทำไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นความดีขั้นพื้นฐานตอนนั้นเองมีโอกาสทำเราก็ทำนะแต่การที่เราจะทาทานถือศีลทาสมาธิได้ดีนะี่ต้องฉลาด ถ้าไม่มีความฉลาดทำแล้วไม่ได้สงบอย่างสมาธิทำก็ไม่ค่อยจะสงบวันนี้สงบวันนี้ฟุ้งซ่านหนึ่งนะั้นจะถือศีนก็ถือยากวันนี้ถือได้วันนี้ถือไม่ได้วุ่นวายแต่ถ้าเรามีความเฉลียวฉลาดเราคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันศีลมันมาเอง มันทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําจิตอย่างความโกรธครอบงําจิตมันก็ทําผิดศีลได้ไปทําร้ายคนอื่นก็ได้ไปช่วงชิงทรัพย์สมบัติเขาก็ได้ไปผิดรูปผิดเมียเขาก็ได้นี่ทำด้วยความโกรธไปใส่ร้ายป้าสีไปด่าเขาก็ได้นะหรือว่าโกรธขึ้นมาครุ่มใจขึ้นมาไปกินเหล้าเมายาก็ได้โลบขึ้นมาก็ทําผิดศีลได้ทั้งห้าข้อเป็นโลบขึ้นมาก็อาจจะไปทําร้ายเขาอยู่แย่งชิงสมบัติเขา รบขึ้นมาไปผิดลูกผิดเมียเขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาผิดศีลได้ทุกข้อนั้นถ้าเราคอยมีสตินะเราไม่ต้องฝึกอะไรมากหรอกเราฝึกให้มีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของตนเองไว้ศีลมันจะเกิดขึ้นเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วเอเรามีศีลจิตใจเราเป็นปกติจิตใจเราเป็นธรรมดาไม่ถูกกิเลสครอบงาจิตใจเราจะสงบง่ายจิตใจที่มันไม่สงบเพราะถูกสิ่งเรานะ มีรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายหรือเรื่องราวที่คิดทางใจมันมาเราความรู้สึกแล้วใจมันก็พุ่งออกไปใจมันก็ทยานออกไปทยานออกไปดูรูปแล้วก็ไปยินดียินร้ายในรูปทยานออกไปฟังเสียงแล้วก็ไปยินดียินร้ายในเสียงทยานออกไปดมกลิน่นไปริมรสไปรู้สัมผัสทางกายทยานออกไปคิดนึกทางใจแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมา ใ, ใจมันจะฟุ้งออกไปนะฟุ้งออกไปฟุ้งออกไปถ้าเรามีสติเรารู้ทันจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านจิตจะสงบอัตโนมัติเนี่ยง่ายๆเลยหลักของการปฏิบัติที่แท้จริงไม่ได้มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนเลยพัฒนาสติเป็นเครื่องมือสำคัญขึ้นมาสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตหน้าที่ของสติคือทำหน้าที่อารักขาคุ้มครองรักษาจิตเราเวลาที่ มีสติขึ้นมาเนี่ยอากุศลที่มีอยู่จะดับอากุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่มีสติในขณะที่เกิดสตินั้นในขณะนั้นเกิดกุศลและเกิดสติบ่อยๆกุศลก็เจริญงอกงามเราทําทานเรารักษาศีลเราทําสมาธิเราจเจริญปัญญาได้เป็นลําดับลําดับไปงั้นเราต้องพยายามฝึกนะให้มีสติคุ้มครองรักษาจิตของเราทุกคนวิธีฝึกก็ไม่ได้ยากอะไร กิเลสอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจคอยรู้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้ถ้ากิเลสเกิดขึ้นเรารู้เนี่ยจิต จ, จะมีสีนาตโนมัติถ้าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเรารู้ทันความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดง่ายๆแค่นี้เองอย่างบางคนฝึกสมาธิถ้าเป็นแทบตายนะฝึกยังไงก็ไม่ยอมสงบหรือว่าสงบได้ประเดี๋ยวประดาแวเดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่เราเปลี่ยนวิธีฝึกใหม่ แทนที่จะไปฝึกแล้วบังคับจิตให้นิ่งฝึกจิตให้สงบเนะี่ยเรากลับข้างดูแทนที่จะมาฝึกให้จิตสงบนะให้มาคอยรู้ทันจิตที่ไม่สงบกลับข้างซะแล้วมันจะง่ายกว่ากันเยอะเลยธรรมชาติของจิตนะกลับกรอกว่องไวมากเราจะไปฝึกให้มันนิ่งเนะี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าจิตที่กลับกรอกว่องไวนั้นมันไปด้วยอานาจของความฟุ้งซ่านด้วยอุท ธ, ธัจจะเรียกว่าอุท ธ, ธัจจะถ้าเมื่อไหร่เรามีสติขึ้นมาเนี่ย กิเลสจะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะมื่อเราอาศัยสติเนี่ยรู้ทันจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบเรื่องง่ายๆเท่านี้เองแท้จริงแล้วกรรมฐานเนี่ยนะถ้าเราจับหลักของการปฏิบัติได้แล้วจะง่ายไปหมดเลยนี่จะฝึกจิตให้สงบเนี่ยแต่เดิมฝึกยากนะแต่ถ้าเรารู้หลักแล้วรรู้ทันจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านแค่นี้ก็สงบละ หรืออย่างจะเจริญปัญญาคิดมากนะคนแต่ละคนก็หาทางทํำยังไงจะเกิดปัญญายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเห็นความจริงของรูปนามของกายของใจนี่เองว่ามันเป็นไตรลักษณ์ความจริงของรูปนามก็คือไตรลักษณ์นั่นเองต้องเห็นเอานะไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่บังคับไม่ใช่น้อมไม่ใช่เพ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติอยจะง่ายถ้าจะต้องการให้จิตสงบ หลักปฏิบัติก็มีนิดเดียวรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตมันสงบอัตโนมัตินะแล้วมันจะไม่ใช่สมาธิชนิดเครือบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวได้ถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยนอกเหนือจากความสงบที่ได้แล้วเนี่ยเราจะได้ความตั้งมั่นของจิตด้วยจิตที่ไม่ไหลไปไม่เคลื่อนไปนั่นคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตัวนี้แหละเป็นจิตที่มีสมาธิที่ดี ที่พวกเราจะต้องฝึกให้ได้นี่พวกเราเนี่ยคุ้นเคยกับมิจฉาสมาธิเนี่ยก็จะนั่งสมาธิแล้วก็น้อมใจให้ซึมๆให้นิ่งๆการน้อมใจให้ซึมให้นิ่งเป็นมิจฉาสมาธินะแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละคือสมาธิที่ดีเอาไว้ใช้เจริญปัญญาก็ได้ทักผ่อนอยู่ในความสงบก็ได้มันสงบอยู่ในตัวเองด้วยมันฉลาดด้วยนั่นเราค่อยๆฝึกของเราไป ถ้าทําอย่างที่โรงพ่อบอกนะไม่ยากหรอกการปฏิบัติแต่กว่าโลงพ่อจะบอกได้นะโลงพ่อภานามาตั้งแต่เจ็ดขวบกว่าจะเข้าใจหลักของการปฏิบัติโถมันง่ายนิดเดียวเราไปทำซะยากเลยแต่เด็กๆนั่งหายใจจะให้จิตสงบถามว่าจะสงบไปเพื่ออะไรวันหนึ่งจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานคิดอย่างน้โง่ๆนะไม่ได้ภาาคนอื่นนะว่าตัวเองนี้นะ ที่นั่งหายใจไปเรื่อยจิตฟุ้งซ่านไม่ชอบชอบจิตสงบน้อมจิตอยู่กับลมบางทีมันก็สงบบางทีมก็ไม่สงบบางทีก็ลึกลงไปเคลิบขาดสติบางทีก็เชื่อนขึ้นมาหน่อยนะสว่างออกข้างนอกไปเที่ยวข้างนอกไม่ใช่สมาธิที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเลยเราฉะนั้นถ้าเราจับหลักของการปฏิบัติให้ดีการปฏิบัติจะไม่ยากถ้าไม่รู้หลักน่นะการปฏิบัติจะยาก งั้นเราคอยรู้ทันนะขั้นแรกเลยเรามีสติไว้คอยดูจิตดูใจของเราไว้จิตมีกิเลสเกิดขึ้นให้รู้โลภเกิดขึ้นให้รู้โกรธเกิดขึ้นให้รู้จิตหลงไปให้รู้แล้วนะตรงที่จิตหลงไปแล้วรู้จิตหลงไปแล้วรู้ตัวเนี้ยจะได้สมาธิด้วยนะจะไม่ใช่ได้แต่ศีลลำพังความโกรธเกิดขึ้นเรารู้นะไม่ผิดศีลแต่ใจยังฟุ้งอยูนะ่มันฟุงฟ้งฟุ้งฟุงอยู่ข้างในได้ แต่ถ้าเรารู้ทานใจที่ฟุง้งความฟุ้งไม่เกิดโลภโกรธหลงอะไรไม่มีความโกรธความโลภเนี่ยเกิดร่วมกับความหลงถ้าใจมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่หลงมันจะโกรธไม่ได้มันจะโลภไม่ได้เนื่อกฎของธรรมะเหล่านี้นะกว่าจะเข้าใจได้อาศัยต้องค่อยๆสังเกตเอาพอนาเนี่หลวงพ่อภาวนาแล้วก็เอามาบอกพวกเราว่ามันไมไ่ยากอะไรหรอกเมื่อก่อนรู้สึกยากยากทําไงจะสงบ เดี๋ยวนี้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยก็อย่าฟุ้งซ่านเสียสิมก็สงบแล้วละ่ะง่ายๆนะฟังแล้วกาปั้นทุบดินเลยด้วยจักความฟุ้งซ่านเลยเรานะลองลอ ง, ลองดูเราทดสอบดูผมาอกให้ทดสอบแน้ะบางคนเกร็งแล้เกร็งปุ๊บเลยเตรียมทดสอบไม่ใช่ให้ไปวิ่งแข่งสี่วิ่งปรัดสี่คูณ้อยวิ่งเร็วอะไรนะต้องเกล็งไปทั้งตัว ตอนนี้นั่งอยู่แล้วใช่ไหม ย, ยิ้มหวานก่อนนี่มันหวานแล้วก็หายใจไปเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจนะอย่าดูลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจไปสบายๆแล้วถ้าใจหนีไปคิดให้คอยรู้ทันหายใจไปสบายๆใจหนีไปคิดให้คอยรู้ท <c oughs> ันเี่ยซ้อมของเราไปเรื่อยๆ ต่อไปพอใจมันเคลื่อนปับ๊บมันหนีปั๊บนะจะรู้เองเลยไม่ได้เจตนานจะรู้ตรงที่ใจมันเคลื่อนไปนั่นแหละใจฟุง้งซ่านนั่นเราทํากรรมฐานทํายังไงสติจะเกิดเวลาที่จิตฟุง้งซ่านถ้จิตฟุ้งซ่านปุ๊บให้สติเกิดอยู่ๆสติไม่เกิดสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นนะทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดนะเราอยากให้สติเกิดเวลาจิตฟุ้งซ่านเพื่อว่า มันจะหายฟุ้งซ่านได้สมาธิได้ความสงบเราไปฝั่งให้สติเกิดไม่ได้สติเกิดได้เพราะจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วเรานั่งหายใจไปสบายๆแล้วจิตหนีไปเรารู้หายใจไปสบายๆจิตหนีไปเรารู้เห็นร่างกายหายใจสบายๆเครช่องเครียดเกินไปยิ้มหน่อยยิ้มก่อนยิ้มหวานๆลืมลืมลมหายใจก่อนยิ้มหวานยิ้มให้สดชื่นคล้ายๆมีสาวมาบอกรักอะไรเงี้ยนะ เนี่ยพอใจผ่อนคลายใจสบายนะเห็นร่างกายหายใจไปแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจิตมันไหลไปไหนไหลวิคิดส่วนใหญ่ไหลไปคิดบางคนก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจซ้อมบ่อยๆจนกระทั่งจิตจําสภาวะของการไหลไปได้จําสภาวะที่จิตเคลื่อนไปได้เหลวพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะแล้วพวกเราอยากคิดนะลองดูลองดู คิดไหมเนื้อรู้อย่างเนี้ยนะอย่าไปห้ามความคิดนะห้ามไม่ได้หรอกหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปคิดนะเป็นอุบายเท่านั้นเองเพื่อจะให้เราดูว่าจิตมันหนีไปคิดได้เองทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นเห็นร่างกายหายใจแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดถ้าไม่ชอบอนาปนาสติจะใช้กรรมาฐานอย่างอื่นก็ได้แต่ให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดหรือจิตที่มันเคลื่อนไปชอบพุโทโธก็ได้นะพุโทโธพุโทโธไป ถ้าจิตไหลไปหนีไปคิดออื่นให้รู้ทันตรงที่เรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยต่อไปจิตจะจําสภาวะของการไหลไปคิดได้แม่นเมื่อจิตจําสภาวะที่ไหลไปคิดได้แม่นแล้วเนี่ยพอมันเกิดการไหลขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสติเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านที่ทําให้จิตเคลื่อนไปนะั้นจะดับอัตโนมัติไม่ต้องจะฝึกจนเป็นอัตโนมัติไปหมดเลยนะสติก็อัตโนมัตินะ ปัสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติก็เกิดเนีย่ยฝึกไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เป็นคารวะเรื่องให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่งสมาธิตั้งแต่เล็กๆเลยกว่าจะจับหลักได้นะจับหลักได้จิตมันสงบลงไปร่างกายมันหายไปมีตัวรู้อยู่อันเดียวพอจิตมันเคลื่อนออกมากลับมามีร่างกายมันเห็นชัดเลยว่าร่างกายกับจิตนี่เป็นคนละอันกัน ขันมันแยกอัตโนมัติเลยนะแล้วความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนะี่ยเราเห็นนะว่ามันไม่ใช่จิตจิตมันเป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ตอนนั้นยังเด็กนะไม่มีครูบาอาจารย์ไม่รู้ว่าตรงเนี้มีทางที่จะเดินต่อก็แค่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆสงบอยู่เฉยๆแต่เดิมไม่สงบด้วยซ้ําไปนะนั่งสมาธิแล้วก็มีนิมิตเห็นโน้นเห็นนี่ไปซึ่งหาสาระอะไรไม่ได้เลยต่อมานั่งเป็นแล้วจิตก็นิ่งอยู่เฉยมันเดินปัญญาไม่เป็นนะแล้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นมา รูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่สิมนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เวลาเจอหลวงพ่อท่านไม่รู้จักชื่อท่านเรียกฉายาหรือว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทําอย่างนี้ผู้รู้อย่าทําอย่างนี้เนี่ยคารวะก็ทําได้คารวะก็ทําได้ถ้าเราฝึกเอาเราไม่ต้องฝึกจนถึงขนาดเข้าฌานหรอกคนรุ่นเราเนี้เข้าฌานยากเราไม่ได้สะสมบารมีมาในทางของสมาธิมากนักเรามีแต่เรื่องฟุ้งซ่านเยอะ เราก็อาศัยสติรู้ทันความฟุ้งซ่านของจิตจิตนี้ไปเรารู้จิตนี้ไปเรารู้แต่จะรู้ได้ดีต้องมีเครื่องอยู่ของจิตจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่กับสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่แล้วบังคับว่าห้ามจิตเคลื่อนนั้นเช่นพุทโธพุทโธไม่ใช่ว่าห้ามคิดเรื่องอื่นพุทโธไปอย่างนั้นแหละจิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็รู้ไปหายใจก็เหมือนกันจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ฝึกไปอย่างนี้ จิตฟุ้งก็คือจิตส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดต้องซ้อมนะทุกวันแบ่งเวลาไว้สักสิบห้านาทีไม่เอามากหรอกเอามากเดี๋ยวเขาไปนั่งหลับนั่งเพ่งยิ่งคนในเมืองอย่างพวกเราเนี้ยวันวันมีเรื่องต้องคิดมากมายเหนื่อยนั่งรถกลับบ้านก็เหนื่อยนละ้วกลับไปถึงบ้านมันเหมือนนกปีกหักโทมเต็มทีแนละ้วไปนั่งสมาธินานๆ น, นะก็นั่งหลับเราไม่ต้องนั่งนานนะเอาสักสิบห้านาที 20่นาทีอย่างมากแต่ไม่นั่งให้เป็นไม่ใช่นั่งให้สงบแต่นั่งรู้ว่าฟุงา้งซ่านนั่งรู้ทันความฟุง้งซ่านพอจิตจำสภาวะที่ฟุ้งซ่านได้แม่นสติจะเกิดเวลาที่ความฟุ้งซ่านเกิดนะจิตเนี่ยถ้าจำสภาวะอันไหนได้แม่นแล้วถ้าตัวสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นสติจะเกิดเองอย่างถ้าเราหัดดูนะอย่างบางคนขี้โมโหพอยดูจิตโกรธก็รู้จิตโกรดก็รู้ต่อไปมันจะรู้เวลาโกรธเนี่ย มันจะรู้เองไม่ต้องเจตนารู้แล่นเรียกเรียกว่าสติมันเกิดและสติมันเกิดจากจิตจำสภาวะได้แมน่นนี่เราต้องการให้จิตตั้งมั่นเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิต ท, ที่ฟุง้งนะในเราหัดพุดโทโธพุโทโธไปสบายๆหัดหายใจไปสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวไม่ให้เคลิบแล้วก็คอยรู้ทันหายใจแล้วจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีเรารู้ฝึกให้มากนะฝึกให้มาก นสติอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นมาต่อไปจิตเคลื่อนปับ๊บรู้ปั๊บเลยสมาธิเกิดนี่พอสมาที่เกิดแล้วเราจะรู้สึกนะว่าร่างกายกับจิตเนั้นโคล่านกันร่างกายกับจิตนั้นโคล่านกันความสุขความทุกข์ความดีความชั่ว โ, โลภโกรธหลงทั้งหลายกับจิตก็เป็นโคล่านกันเนี่เราจะฝึกไปด้วยจนกระทั่งเห็นกายก็ส่วนกายเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึ ก, ก, สกไม่สุขไม่ทุกข์ก็แยกออกไปอยู่ต่างหากนะความ ปรุงดีความปรุงชั่วก็แยกไปอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูก็อยู่ต่างหากเนี่ยค่ายๆฝึกไปจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วมันจะเห็นในร่างกายเป็นของถูกดูร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมามันก็จะรู้ว่าความสุขความทุกข์กับจิตที่เป็นคนดูนั้นก็เป็นคนละอันกันนะมันจะแยกได้ถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ดังนั้นเราต้องมาพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บบกา คำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองเพราะั้นเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นพุโทโธซะก่อนก่อนที่จะไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะฝึกจิตใจให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวด้วยการรู้ทันนะทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปตรงนี้ตัวสําคัญเลยตัวแตกหักเลยนะตัวแตกหักตัวหนึ่งเลยนะเมื่อก่อนหลวงพ่อสมัยสามสบกว่าปีก่อนนะ ออกไปหาครูบาอาจารย์นะเข้าไปตามวัดตามอะไรเนี่ยแต่ละแหง่งแต่ละแห่งเนี่ยหาคนที่รู้สึกตัวเป็นที่จิตตั้งมั่นเป็นเนี่ยหายากมากนะตั้งแต่สามสิบปีก่อนเลยอย่าว่าแต่ยุคนี้เลยนะสมัยก่อนยังหายากเลยบางทีทั้งวัดเนี่ยมีแต่อาจารย์อยู่องค์เดียวที่รู้ตัวเป็นนอกนั้นก็นั่งเพ่งเอนทําความสงบซึมซึมไปเพ่งเพ่ ง, เ, พงเครียดเครียดไปอย่างนั้นเองหรือบางพวกก็เดินจงกรมนะเดินเครียดเครียดไปงั้นเอง อันนี้ทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์เครียดเหมือนกันหมดเลยใช้ไม่ได้บางที่ดังที่อาจารย์ก็ดีบางที่ก็มีพระสักองค์สององค์หรือมีโยมสักคนสองคนที่รู้ตัวได้หายากมากเลยเพราะเราไม่ได้เรียนหลักของการปฏิบัติให้ดีเออาเราก็จะนั่งสมาธิเอาะจะเดินจงกรมเราไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรก็คิดว่าทําไปเพื่อบังคับจิตให้สงบอย่าไปบังคับมันจิตไม่ชอบให้ใครบังคับอาศัยสตินะ รู้ทันจิตก็สงบเองสติไม่เกิดเองเราต้องพาจิตให้เห็นสภาวะบ่อยๆเห็นสภาวะที่ฟุ้งซ่านบ่อยๆนะทํากรรมฐานอย่างหนึง่งแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะแล้วสติจะเกิดเองพอสติเกิดไม่ฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดต้องฝึกถ้าฝึกตัวนี้ได้แล้วก็กรรมฐานที่เหลือก็ไม่ยากแล้วนะนี่บางคนเนี่ยพอรู้ตัวเป็นพวกเราต้องฝึกนะพอสักวันหนึ่งสักสิบห้นาที รู้ทันจิตที่ไหลไปซึงทุกวันพอเป็นแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยขันมันแยกได้ร่างกายกับจิตแยกกันสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตแยกกันเลยถ้ามันไม่แยกก็ช่วยมันแยกบางคนรู้ตัวแล้วมันเฉยรู้ตัวอยู่เฉยเฉยจิตไม่ยอมเดินปัญญาการเดินปัญญาในขั้นต้นต้องแยกขันให้ได้นะผมตามมหาบัวท่านฟันทงเลยนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเราเรื่องเจริญปัญญา เจริญไม่ได้หรอกนั้นบางคนพอมันรู้ตัวอยู่เฉยๆแล้วขันมันไม่ยอมแยกอันนี้ต้องช่วยคิดพิจารณานะใช้ความคิดนี่เองเช่นเรานั่งอยู่จิตเราเป็นผู้ดูอยู่ก็บอกตัวเองเออร่างกายมันกาลังนั่งนะใจเราเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูสอนมันแต่อย่างนี้หรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าเห็นเออความสุขเกิดแล้วนะใจอยู่ตาหากใจเป็นคนดู ความสุขมันมาทีหลังเนี่ยใจมันดูอยู่เห็นความสุขมันไม่ใช่ใจหรอกแล้วความสุขหายไปแล้วใจมันก็ยังอยู่ค่อยๆสอนมันค่อยๆฝึกอย่างนี้ในสุดขันมันจะแยกถ้าขันแยกได้แล้วเนี่ยเราจะทำวิปัสสนาได้้ะเราจะเห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์ได้เมื่อกี้มีบททำบัดเช้าตอนที่หลวงพ่อเข้ามานั่งอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าเขาเปิดไม่ถึงนะ ตัดหมดที่สําคัญที่สุดไปซะก่อนเพราะหมดเวลาเขาเริ่มตั้งแต่อะไรนะความเกิดแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความพลัดพากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยเสด็จดจบแค่นี้ยังมีต่ออีกหน่อยนะบอกว่าสังคีเตนะปัญจุปทานนะัขันธาทุกขาโดยย่อโดยสรุป ขันทั้งหคือตัวทุกข์เนี่ยตัวใหญ่เลยเราจะมาเรียนให้เห็นว่าขันทั้งห้านะคือตัวทุกขถ้าเห็นว่าขันทั้งห้าคือตัวทุกได้ที่แหละจะบรรลุมรรคผลนิพพานนะจะถึงพระอรหันต์ได้เลยนะก็ ถ, ถึงตัวเนี้ยแล้วท่านสอนวิธีจะให้เห็นว่าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกทํำยังไงท่านบอกให้ดูสิรูปปางอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจานะรูป เป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาดูไตรลักษณ์ของรูปของนามนั่นแหละนั่นแหละคือทางที่เราจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นเราต้องมาแยกรูปแยกนามให้ได้พอรู้ตัวแล้วก็ค่อยๆดูไปร่างกายกับจิตนี้เป็นโนละนกันความรู้สึกสุขทุกข์กับจิตนี้เป็นคนละอนกันความดีความชั่วกับจิตนี้เป็นคนลาอันกันต่อไปดูมากๆนะเราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงก็เป็นคนลานกันจิตที่ดู จิตที่ไปดูรูปก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปฟังเสียงก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปดมกลิ่นก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปรู้รสจิตที่ไปรู้สัมผัสทางกายจิตที่ไปคิดทางใจก็เป็นอีกดวงหนึ่งวิธีจะฝึกดูจิตแบบนี้นะไม่ยากอะไรหรอกกลับบ้านไปดูทีวีแต่อย่าดูเรื่องที่ชอบนะอย่าดูเรื่องที่สนุกอย่างเราชอบดูละครน้ำเน่าตบกันอุตลุดนะอย่างนี้ไปดูแล้วก็เราแยกธาตุแยกขันไม่ทันอนะ่ะเพราะมันมันนะ ไปหาเรื่องที่ไม่สนุกดูแล้วค่อยดูใจของเราเองว่าเดี๋ยวตามันก็ไปดูรูปเดี๋ยวหูมันก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวใจมันก็คิดเราจะเห็นว่ามันสลับกันเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดในขณะที่ดูไม่ได้ฟังในขณะที่ฟังไม่ได้ดูในขณะที่คิดก็ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังนีน่ค่อยๆฝึกไปแล้วเราจะก็จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงมันก็เป็นคนละดวงจิตไม่ได้มีดวงเดียวแต่ตรงนี้มันละเอียด แต่เมื่อต้นก็หัดหยาบๆก่อนให้เห็นว่าร่างกายกับจิตมันโคนละนกันสุขทุกข์กับจิตก็คนละอนกันดีชั่วกับจิตก็คนละอันกันโลคกับโกรธก็โคละอนกันนะสุขกับทุกข์ก็โคนละอนกันเนี่ยค่อยๆแยกแต่ละอานแต่ละอันแยกออกไปเรื่อยๆแล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปรู้เข้าถ้าละเอียดขึ้นไปเราก็จะเห็นว่าจิตที่ไปดูก็อันหนึ่งจิตที่ไปฟังก็อันหนึ่งจิตที่ไปคิดก็อันหนึ่งนะค่อยๆหัดไป อัดแรกๆก็อาจจะงงๆหน่อยแต่ว่าไม่ยากเท่าไหร่หรอกเพราะธรรมะนี้เป็นธรรมะพอดีๆของคนธรรมดาธรรมดาไม่ช่างอัจฉริยะอะไรหรอกคนสมัยพุทธกาลเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าพวกเรานะเพียงแต่ว่ า, า จ, จะฟุ้งซ่านน้อยกว่าพวกเราพวกเรามีสิ่งยั่วยุนให้ใจฟุ้งซ่านเยอะกว่าเขาเท่านั้นแหละนั้นเราฝึกของเราทุกวันทุกวันค่อยสังเกตสังเกตเบื้องต้นสังเกต ทำกรรมฐ า, านอย่างหนึง่งแล้วสังเกตใจที่ไหลไปแใจที่ฟุ้งไปจะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วก็สังเกตว่าร่างกายกับใจคนละอันกันสุขทุกข์ดีชั่วกับใจก็คนละอันกันนะพอสังเกตได้ละเอียดขึ้นก็จะเห็นว่าใจจิตแต่ละดวงแต่ละดวงก็คนละอันกันจะค่อยๆฝึกค่อยๆแยกไปอันนี้จะยากหน่อยนะอันหลังเนี่ยเรื่องเห็นจิตเกิดดับเป็นดวงๆเนะี่ยถ้ายังไม่เห็นก็ไม่ต้องตกใจ ให้เห็นกายกับจิตเป็นโคนละอนแค่นี้ก็พอแล้วหรือบางคนไม่เห็นว่ากายกับจิตเป็นโคนละอันบางคนชี้โมโหนะจะเห็นว่าความโมโหกับจิตเป็นโคนละอันกันแค่นี้ก็ได้ละอย่างน้อยในขันห้าเนี่ยที่จะแยกเนี่ยต้องแยกได้สองแยกแค่สองก็พอแล้วนะแต่ในสองเนี่ยตัวหนึ่งจะต้องเป็นคนดูตัวหนึ่งเป็นผู้แสดงนั้นตัวหนึ่งที่แยกออกมาก็คือจิตที่เป็นคนดูนะส่วนไอ้ตัวที่แสดงเนี่ยอาจจะเป็นร่างกายก็ได้ ร่างกายแสดงอะไรร่างกายแสดงการหายใจออกหายใจเข้าแสดงการยืนเดินนั่งนอนแสดงการกินอาหารแสดงการขับถ่ายนี่ร่างกายแสดงให้ดูใจเป็นคนดูถ้าแยกเป็นสองนะคนหนึ่งเป็นคนดูคือมีจิตเป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูมีร่างกายแสดงอยู่แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องทำกรรมฐานอะไรมากมายไม่ถนดัดดูร่างกายก็ดูเวทนาดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ คนไหนมีความทุกข์มากนะในชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ก็เอาความทุกข์มาทํากรรมฐานมีจิตเป็นคนดูแล้วก็เห็นความทุกข์เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปจิตเป็นคนดูแค่นี้ก็พอแล้วนะคนไหนมีความสุขมากตัวนี้แหละเวรกำแล้วพวกมีความสุขมากภาวนายากนะเพราะพวกมีความทุกข์เนี่ยจะขยันภาวนาเพราะอยากพ้นทุกข์พวกมีความสุขเนี่ยจะขี้เกียจภาวนาเพราะกลัวจะพ้นความสุขไปด้วยเสียดายความสุข พวกเราขยากนิพพานบ้างถามหน่อยสิยกมือให้หลวงพ่อดูชื่นชื่นใจสิใคยากนิพพานบ้างานะแล้ววัดใจตัวเองเจ็บมือใช่ให้นิพพานตอนนี้เอาไหมสนใจไม่เอาไม่เอาไม่ต้องให้นิพพานเลยหรอกนะให้เลิกกับแฟนตอนนี้เอาไหมหน้าเบี้ยวไปหมดแล้วนะเจอทีเด็ดเท่าเนาะ เนี่ยที่บอกว่าอยากนิพพานอยากนิพพานแล้วทําไมหนูไม่นิพพานสักทีเพราะหนูไม่ได้อยากนิพพานหนูก็ยังมันอยู่กับโลกนั่นแหละแต่อยากอยู่กับโลกที่มีความสุขเพราะั้นเวลาที่มีความสุขนะจะขี้เกียจภาวนาเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยแต่เวลามีความทุกข์นะขยันภาวนาเพื่ออะไรจะได้พ้นทุกข์สนะัทีโกรธครวญนะเนี่ยทุกข์มาสามวันแนละ้วภาวนาแล้วทําไมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีโธ แนะม่เจียมสังขารเลยเวลาจมกิเลสนะจมอยู่นานนานมาพอนาเหยาะแหยะแยะแยสองสามวันจะเอามากเอาผลนะสู้กันไม่ได้หรอกคล้ค่กิเลสนนะมันซ้อมโชคมวยทุกวันเลยกุศลมันไม่ได้ซ้อมโชคสักทีโชค ก, กันทีไรมันก็แพ้สิไั้รับฝึกนะตั้งใจรักษาศีลห้าเข้าแล้วทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตไหลไปแล้ว ร, รู้อันนี้ฝึกเพื่อจะให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดู ไอ้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูเราแยกขันอย่างน้อยต้องมีขันตัวหนึ่งเป็นตัวแสดงขันตัวหนึ่งเป็นคนดูนะคนไหนขี้มโมโหก็ดูควา ม, มโมโหไปจะเห็นเลเดี๋ยวความโกรธก็เกิดขึ้นเดี๋ยวความโกรธก็หายไปแต่จิตจะเป็นคนดูนะจิตกับความโกรธเป็นคนละอันกันดูก ร, ราภิกสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะ ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้โภสะก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆฝึกไปดูกราพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคาใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ดูกราพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่ใครรู้จิตเป็นคนรู้นะเพราะฉะนั้นในกรรมฐานที่เราจะฝึกนะอย่างน้อยต้องมีจิตที่เป็นคนรู้จิตที่เป็นคนรู้เนี่ยอาศัยฝึกที่หลวงพ่อสอนมาตั้งยาวนานนี่แหละ นะอาศัยทำความอฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปให้รู้ทันรู้ทันจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอมีจิตตั้งมั่นแล้วก็สังเกตเอาขนาดดูกายนะก็เห็นกายทำงานจิตเป็นคนดูขนะาดรู้สุขทุกนะเห็นสุขทุกทำงานไปจิตเป็นคนดูไม่ยากอะไรรู้จักสุขหมรู้จักทุกไหมรู้จักหายใจออกไหมรู้จักหายใจเข้าไหมรู้จักโลภไหม โกรธน้งรู้หมดเลยแล้วทำไมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีว่าขี้เกียดรู้มวัวแต่ไปรู้อะไรมวัวแต่ไปรู้รูปมวัวแต่ไปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รส ร, รู้สัมผัสทางกายรู้เรื่องราวที่คิดนึกทางใจไม่ยอมดูรูปดูนามถ้าดูก็ดูเป็นแต่ว่าขี้เกียดดูเพราะอะไรมันไม่สนุกเหมือนดูละคร ต, ตอนนี้มีบางคนนะฟังหลวงพ่อร้องงคงไม่เคยฟังมาก่อน ฟงแล้วงงงงงงงงแล้วกคิดใหญ่เลยแทนที่งงแล้วจะนั่งคิดนะให้รู้ว่ากําลังงงอยู่ให้รู้ว่ากําลังงงอยู่นะจะเห็นว่าความงงนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าง่ายง่ายง่ายง่ายแสนง่ายง่ายโคตรเลยบอกเนี้ยไม่ได้มีอะไรยากหรอกนะนี่พวกเราไม่ยอมดูเท่านั้นเองอย่างอย่างเมื่อกีรกรรร้รู้สึกไหมตอนเรายิ้มตอนเราหัวเราะรู้สึกไหมใจมันคลายออก เรารู้เราก็รู้ได้เห็นจะยากเย็นอะไรเลยเวลามีความสุขใจมันก็เป็นแบบหนึ่งเวลาใจมีความทุกข์ใจก็เป็นแบบหนึ่งใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เนี่ยใครฝึกเพราะฉะั้นต้องฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ก่อนมาได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วก็เห็นรูปนามทำงานเห็นรูปนามทำงานแล้วต่อไปมันจะเห็นรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วสุดท้ายมันก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเรา ลึกซึ้งต่อไปอีกรูปนามนี้คือตัวทุกข์สุดท้ายมันก็รู้ว่าจิตนี้แหละคือตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคือตัวทุกข์นะเมื่อนั้นแหละจะข้ามโลกลนะ้จะพ้นจากบาตระแนละจะเป็นพระอราหารนะันต์้วนัหลวงปู่ดูลสอนนะบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนปะ็นมรรคคำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยหมายถึงอะไรเห็นไตรลักษณนะ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะรู้เลยว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคัน้นเป็นทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเราเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์หรือเป็นทุกข์นั่นเองจิตจะปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตก็จะไม่ยึดอะไรในโลกอีกแล้วยึดจิตดวงเดียวจิตนี้จะไปสร้างขันห้าใหม่ขึ้นมาได้อีกะนะไปสร้างขันขึ้นมาใหม่จิตนี้เหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้มีเมล็ดอยู่มเมล็ดเดียวนี่แหละเป็นงอกต้นไม้ใหม่ได้อีกงั้นเราต้องมาเรียนรู้นะจนสุดท้ายเนี่ย จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคอันนี้หลวงปู่ดูลนท่านพูดแบบอมๆพูดตรงนักมันก็คนมันจะจ้องเอาเรื่องถ้าจะพูดให้เต็มที่ตรงตามสภาวธรรมของท่านน่ะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคแต่ขนาดนั้นนะคนยังจะเล่นงานท่านเลยท่านสอนเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องนิพพงนิพพานนะมียุคหนึ่งนะพระบางกลุ่มนะรวมตัวกัน จะไปโจทย์อาบัติว่าท่านอวดอุตตริมาสอนเรื่องนิพพานนี่พระสอนเรื่องนิพพานไม่ได้พูดเรื่องนิพพานไม่ได้ก็แย่สิใช่ไหมพุทธเจ้าสอนนิพพานอ่ะสอนให้เรารู้วิธีไปนิพพานนี่ไปชวนกระทั่งหลวงตามหาบัวน ะ, ะชวนหลวงตามหาบัวให้มาลุมบ้อม ล, ดดลุงกุดูนหลวงตาพูดคําเดียวบอกพระองนี้เราไม่เล่นด้วยนะพอท่านพูดคํานี้นะพวกที่จะเอาเรื่องท่านนจะเลิกหมดเลยเงียบรู้แล้วว่าหลวงตาท่านยังเคารพเลย มันจริงๆแล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมรักเพราะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางจิตเมื่อปล่อยวางจิตซึ่งอย่างเดียวมันก็เหมือนมเมล็ดต้นไม้ที่เชื้อมันตายแล้วมันเกิดไม่ได้อีกละงอกไม่ได้อีกละนะงั้นเราค่อยๆฝึกของเราไปค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปมันมีสิ่งอยู่สองสิ่งอันหนึ่งคือจิตที่เป็นคนดูอันที่สองรูปนามที่เป็นผู้แสดงฝึกให้แยกเป็นสองอัน แล้วขั้นแรกเนี่ยมันจะปล่อยวางอารมณ์ได้นะจะปล่อยวางอารมณ์ก่อนพวกเราเคยเห็นจิตยึดอารมณ์ไหมจิตไปเข้าไปตะครุบอารมณ์บางทีดูดูฟมันก็หลุดใช่ไหมออตัวอารมณ์เนี่ยตัวอะไรตัวออบเจกต์ใช่ไหมตัวสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นตัวซับเจกเป็นตัวไปรู้เนี่ยตอนนี้ที่เราฝึกกันแล้วเราเคยเห็นเนี่ยนะเราเห็นจิตปล่อยวางอารมณ์ปล่อยตัวสิ่งที่ถูกรู้ ในห้องนี้ส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นจิตที่ปล่อยวางตัวจิตมันวางได้เป็นคราวๆเหมือนกันนะแต่ว่ามันดูยากมากมันวางเป็นคราวๆ ว, วางแล้วก็ไปหยิบขึ้นมาอีกวางแล้วก็หยิบขึ้นมาอีกถ้าเมื่อไรมันปล่อยทั้งสิ่งที่ถูกรู้ปล่อยทั้งตัวที่เป็นผู้รู้ได้นะมันจะไม่เหลืออะไรให้ยึดติดแล้วเพราะในโลกธาตุนี้ก็มีอยู่คู่นี้เท่า น, นี้ถ้าไม่ใช่ผู้รู้ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถ้าปล่อยได้ทั้งคู่นะก็หมดแล้วล่ะ เราค่อยๆฝึกของเราไปนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรถือศีลห้าได้หรือยังใครถือศีลได้สี่ข้อยกเลยสิมีไหมถือศีลได้ดีสี่ข้อยกสิเอมาที่เหลือถือได้ห้าข้อ <c oughs> ใครได้หนึ่งข้อใครได้หนึ่งข้อยกให้หลวงพ่อดูสิมีไหม <c oughs> ใครได้สองข้อมีไหมสามหรือสามที่ชักเยอะนะ้แสดงว่าไม่มีกิก๊ก ไปสำรวจตัวเองนะสีดข้อไหนยังไม่ดีพยายามรักษาศีดจะเป็นบาดเป็นฐานให้จิตสงบมีสมาธิใครยังไม่เคยทำในรูปแบบเลยมีไหมยกมือให้หลวงพ่อชื่นใจหน่อยเสนมสอนมาหลายปีแล้วไม่เคยทำเลยมีไหมไม่มีเหรอมีคนสองคนขอยกย่องนะยกย่องในแง่ที่ว่าเปิดเผยนี่เป็นสิ่งดีเรียนกรรมฐานเนี่ย ไม่ปกผิดสิ่งที่บกพร่องของตนเองนะเราต้องกล้าหารคลี่ตัวเองมาเปิดตัวเองเออกมาฉีกหน้ากากตัวเองเออกมาได้นั่นแหละถึงจะกล้าหารเข้าสู่ความสะอาดได้อย่างง่ายดายถ้าเจ้าเล่แสนกลนอมพนําซ่อนเล้นพอนายากนั้นเราไม่เคยทำในรูปแบบก็หัดทาซะสิไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกไม่เสียภาสีเพิ่มด้วยนะ หัดเข้าทุกวันวันหนึ่งสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีไม่ต้องเยอะหรอกเช่นหัดพุดโทโธพุโทโธไปแล้วใจหนีไปเรารู้เนี่ยฝึกไปอย่างเนี้ยใครรู้สึกตัวเป็นละยกมือใช่มีไหมถึงไม่ยกหลวงพ่อก็ดูหน้าออกหรือไหมคนที่รู้สึกตัวเป็นกับคนหลงเนี่ยหน้าตามไม่เหมือนกันอนะ่ะคนหลงหน้าตามจิงหกคนรู้ตัวเนี่หน้ามันจะตึงโดยไม่ต้องไปดึงเลยนะหน้าตามจะสดใสฟ่องใสไม่ต้องไปดึงหน้าหรอก บางคนหน้าเหี่ยวนะแต่ว่าสดใสเคยเห็นไหมหน้าเหี่ยวแก่แล้วอย่างหลวงพอ่อแก่แล้วแต่สดใสหนะ้าสดใสกว่าพวกเราเยอะเลยพวกเราดูเมืดม่ดเมืหมัวหมวบางคนเปนขี้ง่วงตั้งใจนะตั้งใจทํำข้าวแล้วไปฟังซีดีฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่ไปฟังซีดีเพลงอะไรนะ เดี๋ยวมารายงานข่าวหน้าหนูฟังซีดีมาหนึ่งปีไม่เห็นดีขึ้นเลยฟังอะไรล่ะฟังนักร้องไปดีได้ไงไปฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศดูอยู่ท่อง u t u b e อะไรก็มีนะช่วยตัวเองนิดนึงแล้วชีวิตจะดีขึ้นหลวงพ่อกล้ารับรองอย่างหนึ่งนะถ้าเรากล้าปฏิบัตินะชีวิตจะดีขึ้นกล้าปฏิบัตนะิถึงสู้กับความขี้เกียจสู้กับความท้อแท้ของเราเองขยันดูดูมันเข้าไป เนื้อรู้ตัวเห็นกายเห็นใจมันทํางานไปเรื่อยไม่ต้องเห็นทั้งห้าขันหรอกมีคู่เดียวก็พอละถ้าเราเห็นกายมันทํางานใจเป็นคนดูก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาถ้าเราเห็นความสุขความทุกข์มันทํางานจิตเป็นคนดูก็คือเวทนานุปัสสนาถ้ามันได้อันหนึ่งก็ได้ถ้าเห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลนัก็คือจิตานุปัสสนามีจิตเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลมันเกิดนีกรรมฐานอะไรก็ได้ สักอย่างเดียวก็พอแล้วสติปัฏฐานสี่เหมือนประตูเมืองสี่ด้านเข้าด้านใดก็ได้ไม่ใช่ต้องเข้าทั้งสี่ชั้นนะไม่ใช่ประตูสี่ชั้นนั้นฝึกเข้าาละพอสมควรแก่เวลาทเทศยาวนักเดี๋ยวพวกเราก็อยากไปช้อปปิ้งห้างมันเปิดกี่โมงอะ่ะ <c oughs> ใกล้เวลาแล้วน้าว่ามานมัสการหลวงพ่อค่ะ จริงๆก็ไม่เชิงจะส่งการบ้านค่ะเพราะว่าเคยมยังไม่เคยฟังหลวงพ่อตัวเป็นๆตัวเป็นๆ เ, เดี๋ยนี่รู้จักนี่รู้จักละคือหนูไม่เคยฟังหลวงพ่อสดๆเลยค่ะเคยเพิ่งเคยฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อไม่นานมานี้มาต้นปีค่ะก่อนหน้านี้นี่เคยฝึกปฏิบัติแนวทางหลวงพ่อเทียนมาบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่ตั้งแต่สมัยเด็กๆ แต่ปีนี้เนี่ยค่ะตั้งใจว่าอยากจะฝึกปฏิบัติธรรมมากขึ้นอยากจะรู้เห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติที่ ท, ทําทำหยุดหยุดอยู่เนี่ยค่ะจิตของเรามันมันเป็นชนิดไหนแล้วเดินทางได้ถูกต้องแค่ไหนไงคยสังเกตไหมว่าจิตเดี๋ยวนี้กับจิตแต่ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนค่ะนะ ขันมันเริ่มแยกได้นั่นไปฟังซีดีหลวงพ่ออีกนะส่วนจะขยับมือหรือทํากรรมฐานอะไรเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสําคัญไม่ใช่ว่าขยับมือสิบสี่จังหวะถูกแล้วจะบรรนะลุมรกคผลนะประเดิเรื่องเลยมันอยู่ที่ว่าจิตเราเดินถูกหรือเปล่าถ้าจิตเราเป็นผู้รู้แล้าขยับมือเนี่ยจิตหนีไปจิตไหลไปเรารู้ทันจิตก็เป็นผู้รู้ขึ้นม า, าจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมามันก็เห็นร่างกายกำลังแสดงจิตเป็นคนดู มัคือหลักการเดียวกับที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละนั้นที่สิ่งที่หลวงพ่อสอนนะถ้าพวกเราเข้าใจเนี่ยเราทํากรรมฐานอะไรก็ได้แต่ถ้าทํากรรมฐานแล้วไม่รู้หลักไม่ตรงหลักอันนี้นะยังไงก็ผิดเพราะฉะนั้นเราเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝืก อ, อย่างนี้เรื่อยๆแล้วถ้าใจไหลไปคิดก็รู้ทันใจไหลไปก็รู้ฝืก อ, อย่างนี้นะอขอถามจอะจงนิดนึงได้ไหมคะมคือ เท่าที่พอจะรู้สึกตัวคือกระดิตของตัวเองนี่เป็นคนค่อนข้างคิดคิดคิ ด, คดเยอะอะหารจะไฮเปอร์ทีนี้จําเป็นไหมคะที่จะต้องฝึกนั่งสมาธิ<ม>ด้วย <จำ S 2> เพื่อให้ได้สมาถิหรือว่าไม่ไมต้อง <จำ S 2> ไ ป, ปนสนใจสมาถิเลยมันไม่เป็นหรอกกรรมฐานมันทําได้หลายแบบนะใช้สมาธินําปัญญาใช้ปัญญานําสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันทําได้ทั้งหลายแบบของหนูอยู่ๆจะไปเริ่มนั่งสมาธิชาติหน้ายังไม่ได้เริ่มเลย ไม่ได้เริ่มทํำมิปัสสนาหรอกเพราะฉะนั้นไปนั่งขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้แต่ขยับแล้วเนี่ยจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้จิตมันจะได้สมาธิชั่วขณะขณะที่จิตไหลไปแล้วเรามีสติรู้ทนันจิตก็เลิกไหลในขณะนั้นเราจะได้สมาธิที่ชื่อว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะถ้าเกิดบ่อยๆนะมันก็ใช้งานได้เหมือนกันไม่ต้องเข้าอัปปนาหรอกเข้าไม่ได้หรอก เราทําสิ่งที่เราทําได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะกรรมในมาส ก, การหลวงพ้อค่ะคืนก็เหมือนน้องค่ะว่าฟังซีดีหลวงพ่อมาแต่ว่ายังไม่เคยได้มาฟังพ่อเองนะคะก็มีคําถามมากมายในหวัวแต่พอมานั่งตรงนี้บางทีก็อาจจะนึกไม่ออกบ้างนะคะท่านหนูแค่มีปัญหาในเรื่องของความฟุ้งซ่านค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าหนูจะมีความฟุ้งซ่านอย่างมากความคิดที่มันเกิดตลอดเวลา แต่ทั้งว่าหนูเดินจงกลมแล้วหนูมีปัญหารเรื่องแขนนะคะแขนหนูช่วงหลังเนี่ยแค่เดินไม่ถึงสิบนาทีหนูก็จะปวดมากเพระหนูจะเดินเอามือไล่หลังนะคะปวดจนพอหนูบางทีเดินวางทีครึ่งชั่วโมงหรือตั้งไว้จะนานอย่างเงี้ยค่ะปวดจนบางครั้งทนแทบไม่ได้อะคะ่ะแต่ก็กําหนดว่าปวดนอปวดน อ, อแต่ขนาดปวดหนอจนแทบไม่ว่าไม่ได้ทรมานขนาดนั้นมันก็ยังมีความคิดแทรกมาอยู่อะคะ่ะบางทีก็ ห ม, ด, หมดมีดเหมือนกันนะคะว่าเราไม่ได้ฝึกให้มันไม่คิดนะธรรมชาติของจิตเนะียมีหน้าที่คิดนึกปลูกแต่งเหมือนแต่ธรรมชาติของไฟมันต้องร้อนแสงมันก็ต้องสว่างอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตนะมันมีหน้าที่คิดไม่ได้ฝึกให้มันไม่คิดแต่เมื่อมันคิดแล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลเกิดอกุศลก็ให้รู้เอา <c oughs> อย่าไปฝึกแบบตั้งใจจะไม่ให้คิดไม่มีใครทําได้หรอก ถ้าฝึกอย่างนั้นต่อไปจะไปเป็นพรมลูกฟักแต่ที่นี้คือปัญหาคือถึงเวลาแล้วมันจะกลายเป็นว่ามันต้องกําหนดปวดน้อคิดน้อปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรีย ไ, ได้ฟุกสั่นค่ะแล้วอย่างทีแรกนะถ้าเราหัดใหม่ๆเนี่ยปวดขึ้นมาเราก็ปวดนอปวดหนอเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะของความปวดเกิดขึ้นจนกระทั่งจิตมันจําสภาวะของความปวดได้ต่อไปพอความปวดเกิดขึ้นสติเกิดเองไม่ต้องปวดน้ออีกต่อไปแล้ว เราไม่ได้กําหนดเพื่อให้หายนะเรากําหนดเพื่อให้รู้จักสภาวะเท่านั้นเองพอรู้จักสภาวะแล้วไอ้กำหนดนั่นแหละคือความฟุ้งซ่านของจิตมันเพิ่มภาระให้จิตนะไม่ต้องกําหนดอีกต่อไปแล้วถ้ากําหนดไปเรื่อยๆกําหนดเป็นภาษากรเมินนะมาจากคาว่าอะไรใช่ไหมคำว่ากดคําว่ากดเอาไว้คําว่าข่มเอาไว้ไม่ใช่วิปัสสนานะ นั่นกำหนดเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาเลยวิปัสนาปัสนะว่าเห็นเห็นอะไรเห็นเห็นอย่างวิเลยเห็นอย่างวิเศษเลยเห็นใจลักคือแค่ดูเฉยเฉยล่ะคะว่ามันปวดแค่ดูให้เห็นว่ากายก็อันหนึ่งปวดก็อันหนึ่งใจที่เป็นคนดูก็อันหนึ่งไม่ใช่ดูให้หายปวดนะแล้วก็ถ้าดูจิตดูใจก็เห็นเลยจิตเดี๋ยวก็คิดคิดแล้วเกิดสุขก็รู้คิดแล้วเกิดทุกข์ก็รู้คิดแล้วเกิดกุศลอกุศลก็รู้ไม่ใช่ฝึกให้ไม่คิด เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ร่างกายไม่เจ็บปวดไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตไม่คิดร่างกายมีหน้าที่เจ็บปวดถึงยังไงก็ต้องเจ็บปวดจิตมันมีหน้าที่คิดถึงยังไงมันก็ต้องคิดพระพุทธเจ้าคิดไหมเนี่ยทำไมเราต้องฝึกไม่คิดพระพุทธเจ้ายังคิดเลยถ้าเรามีทฤษฎีภาษาที่เราใช้คือคาว่าทฤษฎีนะภาษาบาลีคือทิฏฐิ ถ้าเรามีทิฏฐิที่ผิดมิจฉาทิฏฐิที่ผิดเน่ยเราตั้งเป้าการปฏิบัติผิดเราตั้งเป้าเพื่อจะเข้าไปควบคุมเพื่อจะเข้าไปแทรกแซงอย่างนั้นไม่ถูกเป้าหมายของเราคือเรียนรู้รูปนามตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นเลยความจริงของทุกข์เป็นยังไงความจริงของทุกข์ก็คือไม่ใช่กายไม่ใช่จิตความจริงของทุกข์ก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฝึกดูอย่างนี้นะมันใจเป็นกลาง จะเข้าสู่ความเป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นจิตเก็ไม่ทุกข์ด้วยความทุกข์อยู่ที่กายจิตไม่กังวลกังวัยเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนว่าคนทั่วไปเวลาความทุกข์มาถึงร่างกายนะจิตเก็ทุกข์ด้วยเหมือนถูกยิงด้วยลูกศอนลูกที่หนึ่งแล้วจะต้องถูกซ้ําด้วยลูกที่สองเสมอแต่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยความทุกข์มันเข้าที่กายเท่านั้นมันเข้าไม่ถึงจิตเห็นไหมยังอยู่นะความทุกข์ไม่ใช่ไม่มีนะ นั่นจะไปฝึกให้มันไม่ทุกข์ไม่ได้นะโคตรโลกเลย น, นั่นตั้งเป้าผิดไม่มีทางหรอกค่ะแล้วอย่างนี้ในส่วนของการตามรู้อะค่ะปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือมักจะตามรู้ไม่ทันคือจะมารู้อีกทีคือมันคิดไปนานแล้วถูก<ห>ต้องถ้าได้เรียนอ่ะพี่ธรรมก็จะรู้นะจิตที่หลงไปคิดนั่นเป็นจิตฟุ้งซ่านในขณะที่ฟุ้งซ่านจะมีสติไม่ได้ต้องฟุ้งไปก่อนแล้วรู้ว่าฟุง้งเพราะนั้นการดูจิตดูใจเนี่ยจะเป็นการดูตามหลังแต่ตามแบบกระชั้นชิด นั่เรียกว่าปัจจุบันสันตติไม่ได้ดูแบบปัจจุบันขณะถ้าดูกายเนี่ยปัจจุบันขณะได้คือจิตเนี่ยรู้รูปที่เคลื่อนไหวเป็นอารมณ์เปปัจจุบันได้แต่ถ้าจะดูจิตดูใจอย่างดูความโลภโกรธหลงเนี่ยขณะที่โลภไม่มีสติแน่นอนต้องดูตามหลังถูกแล้วแต่มันนานมากเลยนะคะนานมากใช้ไม่ได้คก่อนจะดูได้กระชั้นกับชั้ น, นถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ อ๋อไม่ขนาดค้างวันค่ะแต่แบบบบางทีมันหลายชั่วโมงบางทีนึกนานกว่าจะรู้อ้าวพอมไม่เป็นไรรู้เมื่อไหร่ได้คะแนนเมื่อนั้นขออีกคําถามนึงนะคะท่านคือในส่วนของเวลาปฏิบัตินะคะเราจะต้องมานั่งช่วยรู้ด้วยไหมคะว่าตอนนี้มันปวดเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันจะดับไปหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้อ ง, องคิดหรอกมันแสดงให้ดูอยู่แล้วการคิดพิจารณาเนี่ยใช้สําหรับจิตที่ติดนิ่งติดเฉย ถ้าจิตเราสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ต้องคิดแล้วเสียเวลาตรงที่คิดนั่นแหละปิดบังวิปัสสนาไว้นะวิตกรมปิดบังวิปัสสนาไว้นะฝึกใหม่เลยน ะ, ะหรือของเก่าทิ้งไปอย่าเสียดายที่ผ่านมาเราได้ความทุกข์ยากมามากพอแล้ว <นะ S 2> ขอบคุณค่ะกราบนมันสการหลวงพ่อคะอ่ะฟังเ ร, เริ่มเริ่มฟังคําสอนจากหลวงพ่อจากซีดีนะคะแล้วก็ เริ่มปฏิบัติเรียกว่าสม่ําเสมอคือทุกวันประมาณเจ็ดเดือนบางวันก็ก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเช้าคือทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนแต่ว่าบางวันก็ทําได้มากบางวันก็ทําได้น้อยตอนนี้ที่ที่มีความสงสัยก็คือว่าปฏิบัติมาได้ใช้แนวทางที่ถูกหรือยังหรืเอเห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสของตัวเองไหมเห็นค่ะเห็นก็ใช้ได้คนระับ เป็นแค่กิเลสมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาทั้งวันอะนะ่ะนะแค่นั้นก็พอแล้วกรรมฐานไม่ได้เรียนอะไรมากมายนักหรอกแต่ละคนมีกรรมฐานเฉพาะตัวนิดเดียวกรรมฐานที่เราใช้เราแค่คู่เดียวเช่นหายใจออกหายใจเข้าไม่จะเห็นนะร่างกายมันหายใจไม่คงที่ยืนเดินนั่งนอนนี่ก็เป็นเซตหนึ่งเล่นเปเซตเซตโกรธ ก, กับไม่โกรธนี่ก็เซตหนึ่งโลบก็ไม่โลบก็เซตหนึ่ง กรรมฐานเล่มเส้นเดียวสำหรับคนคนหนึ่งแค่ได้ก็บรรู้แล้ว้วต้องหลวงพ่อมีการบ้านที่จะให้ทําใจเราฟุ้งเก่งนะเมื่อเราดูในชีวิตประจำวันเนี่ยตาหูจมูกนิ้นแก่ใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้เอาฝึกบ่อยๆมันจะเห็นเนี่ยจิตเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวันอันนั้นแหละดีสมาธิของหนูมันน้อยไปนิดนึง กับนมัส ก, การหลวงพ่อนะคะคือหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณห้าหปีแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือดีทุกแล้วก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติรู้จิตยอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้ดูต่อแบบจนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะหนูมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมกับแม่หนูแล้วที่นี้ตอนนั้นมันจิตมันเลยอยากกลับกลับมาปฏิบัติแล้ค่ะหนูก็เลยตั้งใจปฏิบัติในรูปแบบด้วย เราก็ดูจิตทุกวันฟังหลวงพ่อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะคือหนูแบบจะเพิ่งเห็นตัวเองว่าหนูเ อ, อกดตัวเองไว้อ่ะค่ะแล้วพอกดไว้แล้วทุกอย่างมันคุมร่างกายไปหมดเลยใช่ <c oughs> กรรมฐานส่วนใหญ่ที่พวกเราไปฝึกๆ ก, กันนะนะที่ว่าวิปัสสนาวิปัสสนานะี่ยจริงๆ บ, บังคับกายบังคับใจแทบทั้งนั้นเลยเกือบร้อยละ ร, ร้อยเลย <c oughs> นี่ถ้าเรารู้สภาวะแล้วว่าันนี้ขมเอาไว้นะใจจะเครียดนะ่ะใจจะตึงเครียดขมเอาไว้ <c oughs> เรารู้เราก็คลายออกซนะแล้วก็รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่ไปบังคับกายไปบังคับใจนะให้รู้อย่างที่มันเป็นมันจะคลายออกค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้คือพรตอนนั้นหนูก็เลยรู้เพราะว่าแบบไปตามดูรู้อยู่ว่าเห็นร่างกายมัน ขยับเพราบแบบว่ามันอลดอัดมากมแล้วก็เห็นใจที่แบบมีโทสะที่มันไม่ชอบเนี่ยหนูแยกแยกไปเลยนะกายก็อันหนึ่งใช่ไหมที่มันขยับอยู่จิตมันมีโทสะโทสะก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็ไม่ใช่จิตเองความทุกข์ในร่างกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยขันมันแยกไดอ้อันนี้คือหนูเข้าใจถูกใช่ปะว่านหนูเข้าใจแย ก, กได้เข้าใจถูกค่ ะ, ะ แ, ลแล้วทีนี้คือพอหนูหนูก็เลยแบบตอนนั้นก็เลย ใจมันคิดว่าโอเคจะอึดอัดก็อึด อ, อัดไปเลยแบบยอมแล้วบอกว่าไม่ไม่ฝืนอะไรแล้ว ก, ก็ดูตามรู้ความอึดอัดไปอ่ะจนสักพักมันก็เห็นเองว่าลมหายใจมันปรับเองค่ะ <c oughs> ออมันแบบ อ, อยู่ดีดีมันก็กลายเป็นปกติโ <c> ด <oughs> ยที่เราทําอะไรมันไม่ได้เลยเราไม่ต้องทำหรอก <c oughs> รู้อย่างที่มันเป็นน <c oughs> ั่นแหละถึงจะเรียกว่ากรรมฐานนะคือหนูก็เห็นคือหลังจากนั้นก็คือพอวันต่อมาปฏิบัติรู้สึกว่าแบบ จิตตั้งมั่นขึ้นแล้วก็ตามรู้ตามดูได้แต่ว่าพอหลังจากนั้นพอรู้สึกว่าตัวเองเออมั่นใจว่าน่าจะแยกขันได้แต่พอหลังจากนั้นมันฟุ้งมากเลยค่ะมันแบบว่าหลงไปจิตไม่เป็นกลางแล้วก็แบบเออเผลอแบบนานอะไรเงี้ยค่ะเห็นบ่อยก็เลยเริ่มไม่แน่ใจทำทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะนะไปรู้ทานจิตที่หลงจิตที่ไหลแปรจะได้กําลัง<ำ> ถ้าหากเราเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เราก็ดูจิตไปวันนี้ดูจิตไม่ออกเลยก็เห็นร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูถ้าฟุ้งมากดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก็อย่างดีมันมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัตินะค่ะหนูก็ดูทั้งจิตละกายอยู่ค่ะรู้อะไรได้หนูก็รู้อย่างนี้นถ้ามันมีกําลังมันก็ไปดูจิตได้ค่ะแล้วทีนี้คือ หนูจะถานนี้นี่คือหนูจะแบบว่าเหมือนมีสติได้เองตอนที่ตกใจคือแบบว่าพอตกใจปุ๊บเนี่ยเกือบตลอดคือจะแบบสติมาปุ๊บ แ, แล้วแบบหายเออดแีแต่ว่าคือหนูไม่ทันได้ดูว่าจิตไปรู้ค่ะเหมือนยังหลวงพ่อบอกให้ไปดูว่าจิตไปรู้แล้วคือหนูรู้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้อง <laughs> อันนั้นสําหรับฝึกหัดแยกขันของหนูก็ให้เห็นในความตกใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ดูไปเรืด้วยไม่ต้องไปนั่งบรรยายแล้วนะไอ้นี่นนยความตกใจถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ อ, ร อ, อ, อันนี้ฟุงงซ่านอันแล้วเราไว้หัดตอนเบสิกเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูดูดูจิตไม่ทันรู้แต่ว่ามันเกิดปุ๊บแล้วพอกเหมือนมีอะไรไปรับแล้วมันก็ล่วงหายไปเลยนั่นแหละแค่นั้นถูกเป้เลยไม่มีชื่อเลยไม่มีคําบรรยายเห็นแต่สภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเนองนั่นแหละถึงจะเรียกว่าดู อันนี้ขึ้นอยู่ถูกทางแล้วใช่ปะคะแต่หนูมันฟุ้งเก่ง oh. แรงมันยังไม่พอนะ่ะนั่นทําในรูปแบบบ้างทําสบายๆการ <Okay. S 2> ทาในรูปแบบไม่ใช่ทําเพื่อฝึกบังคับตัวเองให้สงบให้ดีวิเศษอะไรนะทําไปแล้วคอยรู้ทันจิต ท, ที่ไหลวิคิด mm. ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ oh. หรือมันไหลไปเพ่ง mm. ไหลไปได้สองแบบไหลไม่ไหลไปคิดก็ไหลไปเพ่งขอบคุณมากค่ะ หลักธรรมศ่สขร์หลงค่ะก็คือก่อนหน้านี้เดิมเคยติดดีแล้วก็ใจไม่เป็นกลางแล้วก็ไปส่งไปบ้านหลวงพ่อครั้งสุดท้ายนี่ยคือมันยอมเป็นกลางมากคือนหลวงพ่อก็บอกว่าดีแล้วให้ไปทำต่อืเขานี้พ่อกลับมาอยู่ในโลกเนี่ยพอมันเจอปัญหาความทุกใหม่เนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่ยอมมอืาแล้วมันก็พยายามดันดันจิตให้มันแบบดีแบ่งบานเหมือนเดิมตอนสมัยที่เรารู้สึกว่าดีอะค่ะคำนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะทํายังไงกับตรงนี้ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยมัน มันเขียวมากจนทํางานไม่ได้จนไปพยายามคิดเรื่องดีๆซึ่งก็รู้สึกว่าการที่เราไปพยายามคิดมันก็ดูออกนอก ใ, ให้ใช้วิธีนี้ง่ายๆเลยนะ <Okay. S 2> เวลาที่เราถูกอารมณ์ครอบงําำให้รู้เลยว่ามันกําลังครอบอยู่นะอย่าไปยอมให้มันครอบมันครอบอยู่รู้ว่ามันครอบนะมันจะค่อยๆหลุดออกไป <Okay. S 2> เราจะไม่ถูกความเศร้าโศกไม่ถูกอารมณ์อะไรครอบงอําในบางคนโดนปีติครอบงํานะเขาใช้ไม่ได้เหมือนกันนะอารมณ์อะไรครอบงําก็ใช้ไม่ได้ให้รู้ทันว่ากําลังโดนครอบอยู่ ผู้หญิงเป็นเยอะนะบางทีชอบคิดเรื่องเศร้าๆแล้วใจก็ไปติดอยู่นะไปโอดครวญอยากเป็นนางเอกเนั่นนะนะเรียกว่าสวมวิญญาณนางเอกทําใจเศร้าๆเจ็บแสบๆหน่อยเงี้ยชอบเลยให้รู้ทันเลยว่าจิตติดอยู่มันจะหลุดออกมาเองเลยใจมันจะเข้มแข็งไม่งั้นใจจะไม่เข้มแข็งเคยรู้อารมณ์ที่หลวงพ่อบอกว่าจิตนางเอกอย่างนี้คะ่ะว่ากำลงังจะร้องไห้จนิงๆแล้วก็รู้สึกว่า ไมนี่แบบทำจิตนางเอกไรสาระมากก็เลยเลิกก็ก็หายไปช่วงถ้าเราไม่ยอมมันนะแค่รู้ทันมันก็พอไปแล้วไอ้พวกนี้เหมือนตัวอะไรที่หลอกลวงถ้าเรารู้ทันมันมันหนีหมดนะอ่ะคราวนี้คือสภาวะที่หลวงพ่อบอกว่าออถ้าเกิดสูกศิทธ์หลวงพ่อหลวงพ่อรุนนี้เราจะต้องเห็นเกิดราาะดับอะไถือว่าไม่ตกรุ่นเนี่ยคะ่ะ ก็เลยกลับไปดูใหม่ก็จริงๆก็เห็นแล้วว่าอะไรบาอย่างเกิดขึ้นอะไรบางย่งก็หายไปแต่ ว, ว่าก็เริ่มกลับมาสงสัยใหม่ใหม่ว่าจริงๆเราที่เราคิดว่าเราแยกขันได้ซึ่งจริงๆมันจะเห็นแค่ประมาณ 2- อสามสภาวะที่ไม่คิดนะคะ ส, กสักที่4ี่เนี่ยมันจะเป็นคิดแล้วนึวกว่าไม่เป็นไ ร, ไรเห็นเท่าที่เห็นได้คือเห็นแค่ไหนก็แล้วถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยจริงๆมันต้องเห็นละเอียดแบบ5้าขันเลยไหคะหรือว่าไม่จิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอันเดียวมันไม่ได้เห็นทีละหาอันหรอกนะคือบางที่มาเห็นเช่นว่า มีอะไรเป็นย่างเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราไปรู้แล้วก็รู้ว่าเช่นมีการแปรผลว่านี่คืออะไรแค่นั้นพอแล้วห<ม>ล ะ, ละเห็นเขาทำงานของเขาได้เองไม่ต้องไปใส่ชื่อเลยละ ว, ว่านี่ขันนี้อันนี้ชื่อขันนี้อะไรไม่ต้องแค่เห็นว่าสิ่งท่้งหล่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนะแค่นั้นเองขอบคุณคนที่สองนะภาวนาเนะี่ยหัดปล่อยให้ได้นะ มันฝึกมานานจนกระทั่งมันเครียดอยู่ตลอดเวลาสันธาวนาผิดอนะ่ะวิธีที่เคยทำนะ่ะเลิกซะเถอะมันทำร้ายตัวเองนะนขคมตัวเองแรงไปกรรมธรรมชการค่ะคือเคยยอมเคยส่งกันบ้านท่านออแล้วท่านบอกว่าเ อ, อ่อให้ระวังเพราะว่าจะเป็นคนที่ปัญญานาตอนนี้จะโดยธรรมชาติจะเป็นคนคิดมากพอคิดมากมันก็มักจะคิ ด, ค ด, คดไปเรื่อย เมื่อกี้ก็เลยได้คำตอบว่าเอองั้นก็อย่าไปดูที่มันคิดให้ไปดูว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดคิดหมายความว่าอย่างไม่ใช่ให้รู้ทันว่ามันคิดนะรแล้วมันหยุดคิดเองค่ะแล้วท่านบอกว่าแต่ไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าห้ามคิดห้ามคิดไม่ต้องห้ามค่ะแค่รู้ทันว่าคิดรู้ทันว่ามันคิดค่ะเพราะท่านบอกว่าให้ให้ดูรู้ให้ดูความรู้สึกที่ที่รู้สึกว่าอยู่ข้างบนนั้นน่ะว่าอะไรก็คือให้ดูว่า ก็รู้อ่ว่ามันทุกข์เพราะคิดนะคะแต่ในถ้าตัดเซกชันมาตรงวินาทีนั้นเสี้ยววินาทีนั้นเนี่ย้ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยโอเคเราเราเราจําความรู้สึกนั้นได้แต่ถ้าจะต้องมานั่งคอยนั่งบอกว่ามันเป็นสุขทุกข์หรือเฉยเยมันเริ่มคิดแล้ว อ, ะอ่ะมันก็คือความคิดขึ้ น, นมาอีก น, นะคะเป็นความฟุ้งซ่านแล้ไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องให้บัญญัติไม่ต้องใส่ชื่อไม่บัญญัติไม่เอามาใช้ค่ะให้ให้รู้ความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็จําแค่ความรู้สึกเฉยเยไม่จํา ไม่จำด้วยเหรอจิตมันจำของมันเองก็คือเรารู้อะโอเคเนี่ยคือทุกแหละคิดล่ะแล้วก็เกิดความรู้สึกอันเนี้ยอย่างเงี้ยขึ้นมา<ช>ความรู้สึกตรงนั้นก็คือแค่แคนั้นเฉยๆแล้วก็จบแล้วก็อยู่กับ น, นั้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถ้ามันคิดอีกก็ดูอีกอย่างเงี้เยเราจะดูนะเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ได้นะ <c ười> ไม่ต้องมีชื่อเลยทุกอย่างที่เกิดเนี่ยดับทั้งสิ้นดูแค่นี้เองอ๋อดูดูเกิดดับ ดูการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนได้มันก็ต้องมีการเปรียบเทียบใช่ไหมคะถึงต้องดูเป็นคู่คู่ไงเช่นจิตมันโกรธแล้วมันก็หายโกรธมันโลภแล้วมันก็หายโลภอย่งฟุ้งซ่านแล้วมันก็สงบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเหมือนเหมือนกับว่ามีมีมีจุดหนึ่งก่อนแล้วก็ไปเทียบกับความรู้สึกเมื่อกีที่เกิดปัญญามันมากไปไปหัดดูสภาวะซื่อๆตรงๆเลยสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ ไอ้คำว่าจะทำอย่างไรเนี่ยโยนมันทิ้งไปนะอย่า ก, กลัวงโง่นะมีพระองคหนึ่งมาถามหลวงพ่อนะท่านภาวนาเก่งนะภาวนาเก่งมากเลยอยู่ทางอีสานท่านมาบอกว่าทุกวันเนี่ยท่านจะคิดว่าวันนี้จะภาวนาอย่างไรอ่ะคนกวาดคล้ายๆจะขึ้นภูเขามันมีทางขึ้นได้รอบทิศทางจะขึ้นตรงไหนดีขึ้นไปหน่อยหนึ่งไม่ใช่ลงมาเดินไปอีกอะขึ้นช่องนี้ไม่ใช่อีกเนี่ยเมื่อไหร่จะเจอช่องที่ถูก หลวงพ่อบอกว่าช่องที่ถูกไม่มีหรอกแต่ว่ า, า ก, การที่เที่ยวสแสวงหาอยู่นั้นมันผิดตั้งแต่แรกแล้วแต่ถ้าไม่สแสวงหานะยิ่งผิดหนักกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นหาไปเถอะล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ทําไปอีกรู้ว่าไม่ใช่เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดนะถึงจุดหนึ่งจิตมันรู้สิ่งที่ถูกของมันเอง ก็คือรู้ความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็รู้แค่นั้นแล้วก็จะดูอะไรก็ดูอีกแล้วก็จะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้ต่อไปอมันก็จะเห็นเองว่าว่ามันจะเปลี่ยนยังไงใช่ไม่ต้องมีคอนโทรลเอ็กซ์เพรเมนต์ไ ม, ต ไ, มต ไ, มตไม่ต้องไม่ต้องวิาพากวิจารวิจัยไม่ต้อง <des c ans> ตัวนั้นแ่ะปัญญาล้ำหน้าขอบคุณ <riff> <restaurant> แต่ของคุณก็น้อยลงนะที่ฟูม า, มากๆเมื่อก่อนมากกว่า น, นี้ปีนี้ดีกว่าปีกไกลกลับมามสกการหลวงพ่อใ้่ค่ะ เอ อ, งงออยังโง่อยู่เจ้าค่ะคือเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยจะเห็นสภาวะระหว่างที่สวดมนต์คือจะเป็นคนที่ติดนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิแล้วจะหลับตาเราก็สวดมนต์ไปแล้วก็จะหลับตาเป็นช่วงแวบหนึ่งที่ไม่ได้คิดนะคะไม่ได้คิดทั้งบทสดวดก็าปากมันสวดเองไม่ได้คิดฟุ้งซ่านด้วยมันแวบมันแล้วก็จะเห็นตกใจหุย หูมันได้ยินเสียงแล้วปากมันอ้าบอืาอ้าเห็นแค่นี้แล้วก็เอ๊ะกลับมาดูใหม่ตอนนี้กลายเป็นคิดละเห็นไม่ในสภาวะ<ค>นั้นไม่มีเราค่ะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาหรอกแต่สภาวะนั้นเราสั่งให้เกิดไม่ได้นะเ<ค>ราก็อพอนางเราไปมันเกิดของมันเองถ้ามันพอแล้วมันก็ผ่านของมันเองค่ือที่ทําทํามารู้สึกว่า ไม่รู้สึกตัวว่าเรารู้เมื่อไหร่ว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ข้่งนอกจะให้ไปเที่ยวสนุกสนานยังไงมันเข้ามาไม่ถึงในใจอะค่ะอืแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายว่าการไปทําอะไรที่ให้ความสุขนี่ยมันต้องลํงบาบากเป็นภาระขันห้านี่เป็นภาระทั้นนึง น, นอกจากกายที่เราเป็นภาระเรื่องปวดไข้ไม่สบายโรคประจำตัวแล้วก็วัยที่เราล่วงหกสิบแล้วเนี่ยอื มันมีภาระตั้งแต่จะนอนจะต้องทํานั่นทํานี่ทำนู่นเป็นยอดยาวอะไรเงี้ยรู้สึกมันเหบื่อหน่ายค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันก็รู้สึกไม่อยากไปทําอะไรละแค่อยู่บ้านเราก็ทําตัวเราให้เป็นภาระแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นความสุขมันจะเกิดจากการที่เราได้ทําอะไรให้ใครได้ช่วยเหลือใครมีหน้าที่ไปทําแบบนั้นถ้าจะไปทําเพื่อให้ตัวเองมีความสนุกสนานนี่รู้สึกว่าขอข อ, ขอตัวนะคะ ก็คอยรู้ทันจิตไป น, นะกิเลสมันซับซ้อนบางทีพอเราอยู่อย่างนี้เราก็แอบภูมิใจได้นะมันจะแอบภูมิใจแอบพอใจในภาวะอย่างเนี้ยภาวะที่ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเนะี้ยเนี่ยเรารู้ทันเข้าไปมันเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะมีมีเรื่องขำเรื่องหนึ่งคือโยมอ่านหนังสืออะคะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะสายตาหรือเปล่าตัวหนังสือเขาเขาไม่เป็นคําอะคะ่ะเขาแยกมันแยกกระโดดมันต้องไปดูใหม่ว่า เขียนว่าอะมันแยกๆมันแยกให้เห็นอยู่เรื่อยอันนี้มันตลกนะครับตลกไม่เป็นไรเห็นอย่างที่เห็นนั่นแหละเสร็จแล้วต้องเอาสัญญาสัญญาเข้าไปหมายค่ะมันถึงจะรู้เรื่องสิ่งที่ตามองเห็นแค่ตัวยึกยืออะไรก็ไม่รู้หรอกสัญญาความจำเก่าๆอันนี้มันสร้างทุกข์ให้เรามันไม่ค่อยให้เราอยู่กับปัจจุบันถ้าเราไม่คิดจะเกลียดมันนะ มันต้องอาศัยอยู่อยู่กับโลกก็ต้องอาศัยสัญญาไม่งั้นก็อยู่กับใครไม่ได้แล้วในเวลาทําวิปัสสนาก็ใช้สัญญาแต่สัญญาที่ตอนเราใช้ทําวิปัสสนาเนี่ยเป็นเรื่องความหมายรู้ไม่ใช่จําได้ตรงที่ทําวิปัสสนาเนี่ยจะหมายรู้สภาวะทั้งหลายโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรีอกอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญา ถ้าไม่มีสัญญาจะทําวิปัสสนาไม่ได้งั้นในภูมิที่ไม่มีสัญญาเนี่ยไม่มีวิปัสสนามันไ ม, ไม่ไม่ไปหมายรู้ไตรลักคือเคยไปติดวิปัสสนาแบบผิ ด, ผดคือพอนั่งสมาธิก็จะไ ป, ปรุงคิด น, น, นั่นนั่นนั่นเพราั้นการคิดฟุง้งซ่านมันเลยเป็นเป็นธรรมชาติของโย ม, มค่ะคือชอบจะคิดอยู่เรื่อยๆแต่วันรู้สึกว่าความคิดนี้เขามันเขมาแล้วมันจะมันหายไปเลย ม, มันไม่ คิดยาวค่ะคิดก็ได้นะคิดเราเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้เอาคจะคิดไม่คิดเรื่องของมันเราไม่ว่ามันหรอกคุณพ่อคะสิ่งที่โยมรู้สึกว่าเรายึดติดคือทุกข์อานที่สุดก็คือสามีสามลูกถ้าเขาทุกข์เนี่ยเรารู้สึกจะทุกข์ไปด้วยมันยังไม่ปล่อยวางตรงนี้ไม่เป็นไรยึดไปก่อนยืนยืนจะไปปล่อยได้ยังไงล่ะเนาะค่อยๆปล่อยไปลําดับ ที่จริงเราไม่ได้ยึดสามีกับลูกหรอกเรายึดตัวเราเองเพะมันเป็นสามีคนอื่นเราคงไม่ยึดหรอกอรักตัวเองะค่ะรแบบนับมศกษรว่าไงหมอหมอท่านไหต้องเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกจ้ะค่ะทีนี้ตัดต่อมหมอไปทั้งต่อมเนี่ยมันไปกระเทือนในต่อมข้างๆต่อมไทรอย ทำให้มันคุมข่าวเสียมในเลือดไม่ได้เราก็เลยผ่าได้สองวันเนี่ยข่าวเสี้ยมมันก็ตกแล้วก็เขาก็ให้ระดับให้ยาเขาไปไม่ทันตอนที่เกิดเรื่องนี้คือเขาให้ยาไปส่วนหนึ่งนะแต่ว่าพอระดับมันขึ้นเราไม่ทันเนี่ยมันก็มีอาการกล้ามเนื้อมันก็คุมไม่ได้เลยทั้งตัวก็อืมี <c oughs> มีอาการกระตุกแล้วก็หลอดเสียงแบบเริ่มตีเริ่ม mm. เริ่มหายใจไม่ได้ mm. เริ่มเริ่มคุมอะไรไม่ได้เลย mm. แต่ตอนนั้นที่เกิดเนี่ยคือจิตมันไม่มีความกลัวเลยนะคะ mm. มันรู้ว่ามันไม่มีที่พึ่งละมันต้องพึ่งตัวเอง mm. จิตมันก็ดีมาเป็นคนรู้คนดู อาหารมันพร้อมที่จะเห็นร่างกายมันตายแล้วมันไม่ได้ดึกถึงอะไรเลยเลยถึงแต่ว่าเออมีสติแล้วก็บอกพยาบาลว่าอาการมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้แล้วก็ร่างกายมันก็เริ่มสั่นคุมไม่ได้ขึ้นมาหมอก็ยังไม่มาหนก็ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอระดับยามันขึ้นมาได้ในเกณฑ์ปลอดภัยเนี่ยมันก็ มันก็วางใจได้ระดับหนึ่งพอผ่านมาได้แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกรู้สึกว่าจิตมันมันทำของมันได้เองขาอที่หลวงพ่อสอนให้อะนะมันสอนจนกรงทังมันอัตโนมัตินะเวลาชวนตัวเวลาขับขันเนี่ยจิตมันจอดีตถางออกมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราตายขนาดนั้นนะถ้าจิตมันไม่ยึดไม่ถืออะไรก็นี่ผ่านไปถ้ายังยึดอยู่ก็ไปเกิดอีก แต่ถามว่าจะตกใจอะไรไม่ไม่มีหรอกมันจะอัตโนมัตินะสติมันไม่มีความกลัวไม่มีสักนิดเลยอย่างว่าคนขับรถคว่ำนะจิตก็แบบเนี้ยมันไม่กลัวเลยสักนิดเดียวเสร็จแล้วเนี่ยพอผ่านมาใช่ไหมคะมันก็มีกิเลสแทรกตามมาหลังจากที่ผ่านช่วงคริทิคอลไปแล้วมันก็มีกิเลสเอ้ยเก่งกันกูเก่งเนี่ยก็เก่งเหมือนกันเลยโซ มันเก่งวันหนึ่งปรากฏว่าผลชิ้นเนื้อมันออกมาอีกวันหนึ่งเขาเพื่อนติดเป็นหมอพาถัก็โทรมาบอกว่ า, วาเออมันเจอจุดมะเร็งในนั้นสามจุดอืมเป็นจุดเล็กๆวันที่รู้เนี่ยทำให้ยังไม่ได้ตกใจอะไรนะคะรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องที่จะต้องทําต่ออืมโทรติดต่อว่าเออไกด์ไลน์ทรีเมนจะทําอะไรต่อไปแล้วก็คือหนูเป็นหมอหนูก็รู้สึกว่าเออมัน พละโนสิคของตัว CA อันเนี้ยมันค่อนข้างดีหนูก็เลยไม่กลัวหนูก็เอ๊ะมันไม่กลัวเพราะว่าหนูฝึกสติหรือไม่กลัวเพราะหนูมีความรู้ทางการแพทย์ปรากฏว่าพอวันจะกลับวันที่สองเขาเข้าใบผ่าโถมาตอนที่จะหยิบมาอ่านจิตมันก็รู้สึกไม่อยากอ่านแล้วก็ยังไม่ทันเห็นความกลัวนะคะมารู้สึกทีคือตัวเย็นชาไปหมดละ หรือว่าอ๋อู้ละมาละของจริงมันกลัวละออพอขับมาบ้านมันกลัวเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะมันมีลุ้นว่าอาจจะไม่ตายแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่นะจิตมันรู้ว่าจะตายแล้วนะมันไม่กลัวหรอกขณะนั้นจิตจะห้าวหาญเป็นทุกคนเลยที่ฝุกมามันมันสองสภาว่าตอนที่ผ่านตอนที่แบบแย่มากๆอันนั้นเนี่ยรู้เลยว่ามันไม่มีที่พึ่งอื่นจริงแต่พอตอนที่กลับมาแล้วเนี่ยมาเจอผลนะเนี่ย มันก็ได้ฝึกอีกค่ะหลวงพ่อมันก็เห็นคือตอนไม่คิดเนี่ยมันไม่เครียดพอคิดปุ๊บจิตก็เครียดคิดปุ๊บจิตก็เครียดพอผ่านมาได้วันหนึ่งเนี่ยจิตมันก็เริ่มกลับมาเป็นปกติหนูก็รู้แล้ ว, วอ่๋อนเนี่ยมันเป็นผลจากการที่ฝึกสติมาทําให้มันรับรับมือกับปัญหาที่เข้ามาอแล้วก็รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังประมาหลงโลกเราคิดว่าเรายังอายุน้อยไง ยังอยู่ได้นานคนอื่นก็ดูตัวอย่างนะไม่แน่นะบางทีไปตรวจร่างกายเป็นโน้นเป็นนี่หมอเนี่ยตัวทำร้ายจิตใจพวกเรามากนะชอบตรวจเจอโน้นเจอ น, น, อ น, จอ น, นี่คือ <c oughs> หนูยัยอชีวิตหนูเป็นชีวิตที่ประสบความสาเร็จมีความสุขมีความทุกข์น้อยมากในชีวิตแต่หนูก็มีความรักที่จะปฏิบัติ หนูเป็นรู้สึกของพ่อมาสิบปีนะอืมพ <c oughs> ไม่เสียหายหรอกนะรู้สึกขอบคุณหลวงพ่อที่สุดได้ฝึกอออขอเค่ข ะ, าาะขอถวายพระรัตนตรัยนะหลวงพ่อค่ะสาธุบูชาหนานะหมอจามนวัต ก, การพระอาจารย์ค่ะหนูได้นำพระธรรมคำสอนที่พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดไปปฏิบัติมันรู้มันเห็นแล้วมันเข้าใจมันอ๋อค่ะ แล้วเป็นโสดายัางคิดว่าเป็นหรือยังไม่กล้าพูดค่ะพูดเถอะไม่เป็นไรเป็นฆราวาดพูดได้สัวยังมันเห็นเหตุและปัจจัยมันเห็นแล้วบกมันยังไม่อพอนะยังไม่ใช่ยังไม่พอเราสังเกตตรงนี้สังเกตว่ามันยังมีความรู้สึกเป็นเราไหม ถ้ามันมีกระทั่งเงาของความเป็นเราเกิดขึ้นในใจนะก็ไม่ใช่ดูขนาดนี้เลยนะกระทั่งเงายังไม่ใช่เลยเฉั้นเราเราท้าหารกล้าหารเาชิญความจริงไปดูต่อไปอีกไม่ถอยนะใช่ค่ะไม่ถอยมันมันกล้าหลงกระดานแล้วเริ่มเริ่มใหม่ทุกครั้งมันไม่ใช่ทำอะไรหรอกนะเราอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยถึงจุดที่เขาพอเข้าพ อ, เข า, พอเขาเอง ไม่มีใครทําจิตให้มันรู้มรกคผลนิพพานได้นะจิตจะบรรลุของจิตเองรู้สึกไหมมันมีเราอยู่อที่หลวงพ่อไม่ได้รู้หรอกนะผลว่อใช้ถามเอา <c oughs> ใช้ถามถามเอาถามว่ามันจะมีความรู้สึกเป็นเราอยู่ไม่ใช่โส่งดาไปดูต่อนะอยังไม่พอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะ <c oughs> นมาตรการค่ะหลวงพ่อ เพิ่งมาส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีแล้วแต่เพิ่งได้ปฏิบัติในรูปแบบมาประมาณได้สองถึงสามเดือนค่ะก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของอของของตัวเองค่ะได้เห็นกายและใจค่ะถูกแล้วนะรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไป ค, ความทุกข์มันก็ห่างออกไป แต่ถ้าเวลาเราเจอปัญหาหนักๆในชีวิตนั้นบางทีมันก็กลับมาได้อีกนะทุกขะเป็นเปล่าๆมันยังไม่เด็ดขาดถ้ายังไม่ใช่ผ้านักขานะมันยังทุกอย่างนี้ได้อีกเราอยากจะให้หลวงพ่อให้การบ้านถามบ้านหรือควรจะปฏิบัติยังไงต่อไปดีแล้วนะทำต่อไปขอบคุณมากเลยค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อครับ การที่เราฝึกจิตไหลไปแล้วเรารู้ทันเนี่ยก็คือสติเราเกิดใช่ไหมใช่<ต>ครับสตินะ่าเกิดจากจิตจำสภาวะได้สมสติถ้าจิตไหลเรารู้เนี่ยคือเราเห็นโมหะถ้าตัวนี้เราไม่เห็นเราก็เห็นตัวที่หยาบขึ้นมามีจิตมีราคะพอใจอะไรเรารู้ทันจิตมันจาสภาวะของความพอใจได้พอความพอใจเกิดสติก็เกิดหรือหยาบลงไปอีกโทสะดูไปได้วย คือผมก็ไปฝึกจิตไหลไปแล้วก็รู้ะะว่านะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเห็นเรื่อยๆนะครับ <Jude. S 1> แล้วก็เวลามีโทสะก็จะเห็นเวลาเห็นมีความโลภก็จะเห็นนะครับแล้วก็อย่างนั่งเมื่อยเนี่ยก็จะเห็นว่าจิตจะเห็นความเมื่อยแล้วก็ความเมื่อยไม่ใช่กา ย, ยานะครรู้สึกแบบ น, นั้ น, นะครับทีนี้อในช่วงที่ผ่านมานะฮะผมรู้สึกว่าจิตผมไม่ค่อยไหลไปนะไม่เห็นจิตไหลไปแต่ว่าผมยังรู้สึกว่า เวลาเกิดความโลภหรือความโกรธยังเห็นเวลาเมื่อยังเห็นนะครัจะเล่นถามหลวงพ่อว่าผมปฏิบัติไม่ถูกต้องอย่างไรหรือเปล่าทําไมไม่เห็นจิตจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมจิตปกติอืคลายๆครับแต่ว่าตอนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ถ้าคล้ายอย่างนี้ไม่ดีนะมันประคองไว้อมันรักษาไว้ม่นเลยไม่ไหลให้ดูครับแต่ว่าอาศัยที่เราเป็นคนช่างสังเกตมันแอบไหลลึกๆถ้าม่เกิดราคาโทสะอะไรอย่างเงี้ยเราอยางเห็นอยู่ แต่ว่ามันประคองนิดหน่อยประคองนิดหน่อยแล้วจะแก้ยังไงดีครับผมแก้มไม่ได้ให้รู้ทันหลวงพ่อถึงถามว่าจิตเหมือนตอนนี้ไหมถ้าจิตเหมือนตอนเนี้ยมันประคองอยู่ครับแต่ถ้าตอนนี้ตื่นเต้นก็เลยประคองเอาไว้ปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรปรกติก็เป็นอย่างนี้ครับปกติเป็นอย่างนี้นนครับโอ้ต้องปล่อยแล้วครับจะชงใจมากไปจะจะฝึกยังไงนะครับหลวงพ่อวิธีฝึกคือหลีกการปฏิบัติไปบ้าง พอนานนะใช้ชีวิตสบายๆอย่าเคร่งเครียดแค่ไม่ผิดสี่ห้าก็พอแนละ้วครพอเราไม่ได้คิดว่าจะมุ่งมั่นมากมายนะมันจะจงใจน้อยลงถ้าจงใจมากนะมันจะทื่อๆนิ่งๆทือๆไปขมไวแต่ตอนนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามีสติอยู่กับตัวมากขึ้น น, นะฮะใช่ครับสติอยู่นะใจมันจะทื่อๆ อ, อยู่เก้าธรรมะ แ ล, แล้วทีนี้อยากจะอยู่ยังไม่เป็นธรรมชาตินะอ๋อครับแล้วแล้วที่ครูบอาจารย์ท่านบอกว่าอย่างให้มีสติอยู่กับตัวตัวนี้มันจะกลายเป็นรักษาตัวรู้อย่างที่หลวงพ่อบอกหรือเปล่าครับไม่ใช่ทำผิดอย่างเนี้ครับไม่ใช่มีสติอยู่กับตัวหมายถึงว่าจะขยับไปเยื่นเคลื่อนไหวอะไรก็รู้สึกเท่านั้นเลยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคภาษาไทยตรงเลยนะคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวครับไม่ใช่นั่งจ้องนะแค่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเนี่ยไปรวบเข้ามาแะ ไปรวบแบบนี้ไปเคี่ยมันปล่อยออกไปดูออกไหมครับๆมันไปรวบเพรามาปุ๊บมันก็กค้างอยู่อย่างนี้เลยแล้วว่าอันนี้เป็นธรรมะของคนดีพวกที่ติดดีนะติดดีก็จะไปติดในทางอาตัตตะหรือมาฐานนิยกควบคุมตัวเองถ้าติดทางชั่วก็จะหลงตามกิเลสไป ผมนั่งอาาานาพนัสเตียนะฮะพอจิตสงบก็เกิดปิติสุขแล้วจิตมันรวมลงไปนะฮะ <ๆ S 2> แล้วก็จะสงบแล้วก็อมหายใจมันจะเบามากอันนี้มันเป็นฌานหรือเปล่าครับ <S <S ถ้าตรงนั้นยัง <S <S ยังไม่เป็นแล้วพอมันถอยออกมาเนี่ยนะฮะก็สนใจดูความคิดเพื่อที่จะสุขเจริญปัญญาตแต่มันไม่ค่อยเห็นนะครับ หลวงเคยแนะนําว่าให้พิจารณากายะนะครับดูผลผลลัพธ์คือถ้ า, ถ, าถ้าจิตมันไปนติดสมาธิอยู่นะให้พิจารณากายหนึ่งครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เดินมาด้วยวิธีนี้นะการพิจารณากายเฉลี่ยทำหลวงพ่อว่าควรจะเป็นงาเป็นไตรลักษณิชังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาเป็นสิ่งสกรปรกหรือพิจารณาอะไรก็ได้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการยั่วให้จิตมันเคลื่อนไหวเท่านั้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉย <c oughs> อย่างของคุณนะถ้าไปพิจารณากายเนี่นะไอ้ที่มันล็อกอยู่ที่จิตเนม่จะหลุด จิตมันหลุดแล้วคราวนี้เราก็ดูรูปดูนามตัวไหนเด่นชัดในขนาดนั้นก็รู้ตัวนั้นเพราะทุกตัวสอนใจรักครับส่วนการคิดพิจารณาเนี่ยส่วนใหญ่ที่หัดใหม่ๆนะหัดคิดใหม่ๆเนี่ยท่านชอบไปคิดเรื่องปฏิกูณาสุภาามันดูง่ายแต่ถ้าเราจะเอาข้ามขั้นหน่อยเราดูใจรักเลยคิดเรื่องไจรักคือจิตผมพอพิจารณาเป็น ปฏิโกณสิ่งสก ป, ปกแล้วมาไตาละ ก, กันนะฮะตอนที่ยังมาเป็นสิ่งสกปรปรู้สึกจิตไม่ชอบเลยเไม่ชอบใชนะ่ไม่ชอบก็ไม่เอาพิจารณาเฉพาะไต่ลเกไต่ลักกันแล้วอย่าให้จิตติดเฉยเท่านั้นเลยการการที่จิตมันว่างอันนี้มันเกี่ยวกับการที่เราไปรักษาตัวรู้ด้วยไหมเปล่าอะไรนะการที่จิตมันไม่ค่อยเห็นความคิดนี่เกี่ยวกับการที่เราไปรักษาตัวรู้ใช่ไหมเปล่ามันจะซึบๆนิ่งๆซึมๆไป ค, ค่อยๆคิดค่อยนึกไม่มีความรู้สึกอะไร แล้วมีวิธีที่จันณาอื่นๆที่จะช่วยให้จิตหลุดจากความว่างเพิ่มเติมไหยครับนึกถึงตอนที่เรายังไม่ได้พัฒนานึกถึงจิตใจอย่างนั้นแหละประสวมหัวใจเด็กไว้เลยฟุ้งซ่านค่ะดีกว่าฟุ้งซ่านเนี่ยดีกว่า<ม>ติดนิ่งอยู่นะติดนิ่งไปนิพพานไม่ได้ถ้าฟุ้งซ่านแล้วเกิดมีสติรู้ว่าฟุ้งเนี่ยมันเดินปัญญาเลยปัญญาต่อฟุ้งซ่านเนี่ยครับเส้นกันนี้เดียว ถ้าถ้าเราจะฝึกพิจารณาเพิ่มเติมนะฮะนอกจากฝึกพิจารณ์กายแล้วเนี่ยเราฝึกพิจารณาในเรื่องของเธาตุสี่หรืออาหารอย่างนําได้นครับอยากณาได้ยังไงก็ได้นะให้มันคิดเข้าไปเยไม่ให้จิตมันติดนิ่งติดเฉยที่เขาพิจารณากันนะเพื่อไม่ให้จิตมันติดเฉยครับแล้วก็เป็นการนําร่องให้จิตมันหัดดูใจรักแค่นั้นเองพิจารณาข้อธรรมก็ได้ใช่ไหมนะหลวงพ่อวางฟุ้งนะ ถ้าพี่นาข้อทรรมบอกคุณจะฟุ้งเก่งเลยนะเป็นจุดดอนน ะ, ะแล้วในชีวิตประจำวันควรจะปฏิบัติยังไงครับหลวงพ่อมีตาก็ดูมีหูก็ฟังหิว ก, ก็กินง่วงก็นอนโมโหเราวรู้เอาเฉยๆก็รู้เอาทำได้ไหมหิวก็กินง่วงก็นอนได้ครับนะ<ม>ยากไห ม, มยากนะ ทุกวันนี้ไม่ใช่หิวก็กินนะตะการก็กินนะข<ม>ี้เกียจก็นอนนะหลวพ่ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะมหมดแล้วไหมค่ะ ข, ขอให้ทุกท่านนะคะได้ตั้งใจกล่าวคำถวายทานโดยตั้งจิตเสมือนได้ถวายด้วยตัวเองนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย เครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว์ขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทินเยถ า, าวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวามวายโตทินนงเปตานางุปกปัปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรารโสยธามานิโชติระโสยธาสพีติโยวิวัตฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังมุทภาัจจายโน จตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขขังพลังเราปฏิบัติขานะธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะคะคุ้มครองผู้ปฏิบัติคุ้มครองจากความชั่วก่อนต่อไปก็คุ้มครองเราจากความทุกข์ไม่มีใครคุ้มครองเราได้หรอกถึงนาทีวิกฤตของชีวิตนะั้นมีแต่ธรรมะเราคุ้มครองเรา ต้องฝึกนะ